วันนี้พวกเราก็ได้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อมาฟังเทศมาฟังธรรมมาศึกษาหาความรู้หาความจริงที่จะเป็นคุณเป็นประโยชน์กับการดำเนินชีวิตของเราไปในทางที่สงบที่สุขที่สบาย ถ้าเราไม่มีพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเป็นแสงสว่างนำทางเราก็เหมือนกับการเดินอยู่ในที่มืดที่เรามองไม่เห็นอะไรเราก็อาจจะเดินไปเหยียบของที่เป็นอันตรายสิ่งที่เป็นอันตรายเช่นไะเหยียบงูก็ได้ เพราะเรามองไม่เห็นสิ่งต่างๆรอบตัวเราเพราะว่ามันมืดไม่มีแสงสว่างใจของเราก็เหมือนกับเราตอนที่อยู่ในที่มืดที่ไม่มีแสงสว่างใจของเรานี้มืดบอดด้วยโมหะอวิชชาโมหะคือความหลงอวิชชาคือความไม่รู้จริง เราจึงทำในสิ่งที่ไม่จริงที่ไม่เป็นคุณไม่เป็นประโยชน์กับเราเพราะเราถูกความมืดบอดความหลงหลอกให้เราเห็นกับตาลปัตเห็นกงจากเป็นดอกบัวเห็นสิ่งที่ทุกข์ว่าเป็นสุขเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยง เห็นสิ่งที่ไม่ใช่ของเราว่าเป็นของเราพอเราไปได้สิ่งที่เราคิดว่าเป็นสุขแต่เป็นความทุกข์เราก็ต้องพบกับความทุกข์เราไปหาสิ่งที่เราคิดว่าเที่ยงแต่ไม่เที่ยงก็เราก็ต้องพบกับความไม่เที่ยง เราไปหาสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราแต่เราคิดว่าเป็นตัวเราเป็นของเราพอเราได้มาแล้วเราก็จะมารู้ทีหลังว่าเขาไม่ได้เป็นของเราเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับไปสั่งให้เขาเป็นความ เป็นไปตามความต้องการของเราได้ดังนั้นเราจึงต้องมาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมกันเพื่อเราจะได้รู้ว่าการที่เราจะดาเนินชีวิตของเราไปอย่างร่มเย็ยนเป็นสุข n ั้นดาเนินอย่างไรเพราะในขณะนี้ชีวิตของเรา ยังไม่ร่มเย็ยนเป็นสุขอาจจะสุขบ้างแต่ก็จะทุกข์เสียเป็นส่วนใหญ่แต่ถ้าเราได้มาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมเราก็จะสามารถที่จะเปลี่ยนแนวทางการดำเนินชีวิตของเราให้ไปสู่ความสุขได้ให้ไปอยู่ห่างไกล จากความทุกข์ต่างๆได้เพราะว่าพระพุทธเจ้าผู้ทรงสอนพระธรรมคำสอนให้แก่พวกเรานี้ mm. เป็นผู้ที่ได้ดำเนินไปสู่ความสุขไปสู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายแล้ว mm. องค์จึงได้เอาวิธีทางชีวิต วิธีการดำเนินทางที่จะพาไปสู่ความสงบความสุขความหลุดพ้นจากความทุกนี้มาเผยแพ่สั่งสอนให้กับพวกเราถ้าพวกเราน้อมนำเอามาปฏิบัติเราก็จะได้ไปสู่ความสุขได้ไปสู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์ เราจึงต้องศึกษาก็ทำคําสอนอยู่เรื่อยๆเพราะว่าถ้าเราไม่ศึกษาไม่ฟังอยู่เรื่อยๆเรามักจะลืมถึงแม้เราเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วแต่พอเราไม่ได้คิดถึงพระธรรมคําสอนเราก็จะไม่ปฏิบัติตามเราก็จะถูก อำนาจของความหลงของความไม่รู้จริงดึงให้เราไปทําในสิ่งที่จะทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาแทนที่จะดับความทุกข์ก็จะทําให้เราสร้างความทุกข์ขึ้นมาแทนแทนที่จะสร้างความสุขเราก็จะไม่ได้สร้างความสุขกันเพราะ เราจะถูกความหลงคอยหลอกเราอยู่ตลอดเวลาให้เราไปทำในสิ่งตรงกันข้ามกับคำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ทรงสอนให้พวกเรามาต่อสู้กับความโลภความโกรธความหลงต่อสู้กับความอยากต่างๆ เพราะความอยากต่างๆความโลภความโกรธความหลงนี้แหละเป็นข้าศึกศัตรูของเราที่แท้จริงไม่มีใครหรืออะไรในโลกนี้ที่จะทำให้เราเกิดความทุกข์ใจได้นอกจากความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆนี้เท่านั้น บุคคลที่เขามาทำร้ายเรามาทำให้เราสูญเสียสิ่งต่างๆนี้ไม่ใช่เป็นข้าวสสกของเราเพราะว่าถึงแม้ว่าเขาจะทำร้ายเราเขาจะทำให้เราต้องสูญเสียสิ่งต่างๆไปถ้าเราไม่มีความโกรธไม่มีความโลภไม่มีความหลง ไม่มีความอยากเราจะไม่มีความทุกข์ใจดังนั้นเราจึงไม่ควรที่จะไปถือผู้อื่นเป็นข้าศึกศัตรูกับเราเพราะเป็นการาไปหาข้าศึกศัตรูที่ผิดข้าศึกศัตรูที่แท้จริงอยู่ที่ความโกรดความเกลียด ความแค้นความอาคาตพยาบาทเวลาที่ผู้อื่นมาทำให้เราสูญเสียสิ่งที่เรารักไปเพราะว่าการสูญเสียสิ่งต่างๆนี้เป็นเรื่องธรรมดาไม่ช้าก็เร็ว เราก็ต้องสูญเสียกันไปอยู่ดีเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงไม่ได้อยู่กับเราไปอย่างถาวรทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของชั่วคราวไม่ได้เป็นของเราเป็นเหมือนของที่เรายืมมาสักวันหนึ่งเราก็ต้องคืน เจ้าของไปเจ้าของที่แท้จริงของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ก็คือธาตุสี่นี่เองคือดินน้ำลมไฟทุกสิ่งทุกอย่างมาจากดินน้ำลมไฟเป็นดินน้ำลมไฟเพียงแต่มารวมตัวกันเพื่อให้ปรากฏเป็นสิ่งต่างๆที่แตกต่างกันไป เช่นร่างกายของเราก็เป็นการรวมตัวของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟซาลาหลังนี้ก็เป็นการรวมตัวของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟแต่เป็นรูปร่างลักษณะที่แตกต่างกันไปแต่ในที่สุดก็จะกลับคืนสู่ดินน้ําลมไฟไปร่างกายของเราเวลาตายไป ก็จะกลับคืนสู่ดินน้ําลม ไ, ไฟไฟเอาไปเผาก็กลายเป็นขี้เถ้าเอาไปฝังก็กลายเป็นดินไปส่วนที่เป็นน้ําก็จะแยกออกจากร่างกายส่วนที่เป็นลมก็จะแยกออกจากร่างกายส่วนที่เป็นไฟก็จะแยกออกจากร่างกายไปขณะที่ร่างกายยังมีชีวิตอยู่ ทั้งส่วนต่างๆก็ยังอยู่ในร่างกายอยู่เช่นธาตุน้ําก็ยังอยู่ในร่างกายอยู่ธาตุลมก็ยังมีเข้ามีออกธาตุไฟก็ยังมีอยู่ในร่างกายร่างกายไม่เยน็นร่างกายยังมีความมีอุณหภูมิมีความร้อนอยู่ธาตุดินก็ยังมีอยู่ แต่พอร่างกายหยุดทำงานแล้วธาตุทั้งสี่นี้ก็จะแยกทางกันไปนี่คือความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มาจากธาตุทั้งสี่คือมาจากดินน้ำลมไฟแล้วก็ถึงเวลาก็ต้องแยกทางกันไปดังนั้นเวลาที่เราสูญเสียสิ่งต่างๆไป ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลกนใดก็ตามถ้าเรามีปัญญามีความรู้เราจะไม่เสียใจเราจะไม่โกรธเหตุที่ทำให้สูญเสียสิ่งต่างๆไปเช่นบุคคลมาเอาของที่เรารักไปเอาบุคคลที่เรารักไปเราก็จะไม่ไปโกรธเขา เพราะว่าการโกรธนี่แหละเป็นการสร้างความทุกข์ให้กับเราศัตรูที่แท้จริงก็คือความโกรธนี่เองเพราะไม่มีอะไรที่จะทําให้เราโกรธได้นอกทําให้เราทุกข์ได้นอกจากความโกรธของเราคนที่เอาของเราไปนี่เขาทําได้ก็เพียงแต่เอาของไปเท่านั้นเอง ถ้าเราไม่มีความโกรธเขาจะไม่สามารถทำให้เราทุกข์ได้ดังนั้นเราจึงต้องอย่าไปโกรธใครเราต้องทำลายความโกรธเพราะความโกรธนี้เป็นผู้ที่จะมาทำให้เราทุกข์ทรมานใจกินไม่ได้นอนไม่หลับก็เพราะความโกรธนี้เอง และเหตุที่ทำให้เราโกรธก็คือความโลภความอยากนี้เองอยากจะให้สิ่งต่างๆอยู่กับเราไปตลอดเป็นของเราไปตลอดพอมีคนอื่นมาแย่งเอาไปเราก็โกรธคนที่มาแย่งเราไปและพอเราโกรธเราก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมา แต่ถ้าเราไม่โกรธเราก็จะไม่ทุกข์ถ้าเรารู้ว่าสักวันหนึ่งของที่เรามีอยู่นี้จะต้องจากเราไปหรือไม่เช่นนั้นเราก็ต้องจากเขาไปเราก็จะไม่โกรธเมื่อเราไม่โกรธเราก็จะไม่ทุกข์ใครจะมาเอาอะไรไปมาทาละทำอะไรกับเรา เราก็จะไม่ทุกข์การที่เราไม่ทุกข์ก็เพราะว่าเราไม่มีความอยากที่จะให้สิ่งต่างๆอยู่กับเราไปตลอดเป็นของเราไปตลอดเพราะเราไม่หลงเรามีคําสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้เรารู้ว่าไม่มีอะไรเป็นของเราไม่มีอะไรจะอยู่กับเราไปตลอด อันนี้แหละคือความจริงกาศึกษตรูที่แท้จริงของเรายึงคือก็คือความหลงที่ทำให้เราเกิดความโลภเกิดความอยากแล้วก็เป็นเหตุที่ทำให้เราเกิดความโกรธเวลาเราอยากได้อะไรแล้วไม่ได้ดังใจอยากเวลานั้นเราก็จะโกรธ เกความโกรดขึ้นมาเวลาเราอยากก็เพราะว่าเราคิดว่าถ้าเรามีสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วจะทําให้เรามีความสุขก็เพราะว่าเราหลงว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้จะให้ความสุขกับเราทั้งๆที่ความจริงแล้วสิ่งต่างๆทั้งหลายนี้ในโลกนี้มีแต่จะให้ความทุกข์กับเรา ทุกข์เพราะไม่เทียมทุกข์เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะไปดูแลรักษาให้อยู่กับเราไปได้ตลอดนี่คือสิ่งที่เราควรที่จะน้อมนำเอามาศึกษาเอามาสอนใจเราอยู่เรื่อยๆเพื่อเราจะได้ทำลายข่าศัตรู ที่เป็นผู้มาสร้างความทุกข์ให้กับเราศัตรูภายนอกบุคคลภายนอกสิ่งต่างๆภายนอกไม่ใช่ศัตรูของเราศัตรูที่แท้จริงคือศัตรูภายในคือความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆถ้าเราไม่มีความโลภความโกรธความหลงไม่มีความอยากแล้วเราจะไม่มีความทุกข์ โดยเด็ดขายดังนั้นเราจึงต้องหันมาต่อสู้กับศัตรูที่แท้จริงของเราก็คือความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆนี่เองวิธีที่จะทําให้เราสามารถกําจัดความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆได้ ก็คือการฟังเทศฟังธรรมเป็นขั้นเริ่มต้นเราต้องฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เรารู้ว่าอะไรคือศัตรูของเราและวิธีที่เราจะกำจัดศัตรูของเรนี้จะกำจัดได้อย่างไรนี่คือหน้าที่ของพระพุทธเจ้าหน้าที่ของพระธรรมคําสอนของ พระพุทธเจ้าและหน้าที่ของพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าท่านมีหน้าที่บอกให้เราให้รู้ว่าศัตรูของเราคือใครและวิธีที่เราจะกําจัดศัตรูของเรานี้กําจัดได้อย่างไรก็อย่างที่ได้พูดไว้ว่าศัตู วิธีที่จะกำจัดศัตรูของเราก็คือต้องใช้ความจริงเพราะความหลงความที่ไม่รู้ความจริงนี้เป็นบ่อเกิดของศัตรูของเรานั่นเองบ่อเกิดของความโลภบ่อเกิดของความโกรธบ่อเกิดของความอยากต่างๆเราจึงต้องศึกษาความจริง สอนใจเราให้จําให้ได้ว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะให้ความสุขกับเรามีแต่จะให้ความทุกข์กับเราเสมอเพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เที่ยงแท้แน่นอนที่ถาวรที่จะอยู่กับเราไปตลอดไม่มีอะไรที่เราจะสามารถควบคุมบังคับ สั่งให้เป็นไปตามความต้องการของเราได้เสมอถ้าเรามีความรู้อย่างนี้อยู่ในใจเราก็จะไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรไม่อยากดูไม่อยากฟังไม่อยากดื่มไม่อยากรับประทานอะไรเพราะเรารู้ว่าความอยากนี้จะทำให้เราเกิด ความทุกข์ใจขึ้นมาเวลาที่ไม่ได้ทำตามความอยากเวลาอยากดูแล้วไม่ได้ดูก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเวลาอยากฟังแล้วไม่ได้ฟังก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเวลาอยากดื่มอยากรับประทานถ้าไม่ได้ดื่มไม่ได้รับประทานก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าเราหยุดความอยากได้ ไม่ทำตามความอยากเราก็จะไม่มีความทุกข์ตามมาการที่เราจะสามารถสอนใจเราได้อยู่เรื่อยๆนั้นเราใจของเราต้องมีกําลังมีกําลังที่จะบังคับให้ใจเราคิดไปในทางความจริงคิดไปในทางที่พระเจ้าทรงสอนให้คิด ก็คือให้คิดว่าไม่มีอะไรที่เป็นสุดที่แท้จริงไม่มีอะไรที่จะอยู่กับเราไปตลอดไม่มีอะไรที่อยู่ภายใต้อำนาจของเราที่เราจะสามารถควบคุมบังคับสั่งให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้เสมอไปการที่เราจะมีกำลังที่จะดึงใจให้มาคิดอย่างนี้ได้ เราจาเป็นต้องมีเครื่องบังคับใจเครื่องบังคับใจก็คือสตินีเ่เราต้องมีสติที่สามารถบังคับใจให้คิดไปในทางที่เราต้องการที่พระเจ้าทรงสอนให้คิดให้ได้ถ้าเราไม่มีสติแล้วใจของเรานี่จะถูกความหลง จุดลากให้ไปคิดทันทีชีวิตของเรานี้ส่วนใหญ่เก้าสิบเก้าเปอร์เซนตตั้งแต่เตงขึ้นมานี่จนถึงเวลาหลับนี้จะคิดไปในทางของความหลงไปในทางของอวิชชาอาวิชชาปัจจยาสังขาราอาวิชชาเป็นผู้ผลักดันให้ไปให้เกิดสังขารขึ้นมาสังขาร พอคิดก็ให้คิดไปในทางการหาลูกเสียงกลิ่นรสผลตพะการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายหาเวทนาหาความสุขเวทนาที่เกิดจากการได้สัมผัสกับลูกเสียงกลิ่นรสผลตพะที่ถูก อ, อกถูกใจพอได้สัมผัสแล้วก็จะเกิดความอยากที่จะให้มีความสุขอย่างนี้ไปเรื่อยๆ พอเวลาใดที่อยากแล้วไม่ได้ดังใจอยากเวลานั้นก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาพอเกิดความทุกข์ใจก็จะเกิดความอยากที่จะให้ความทุกข์ใจนี้ดับไปก็พยายามทำตามความอยากเพิ่มขึ้นไปอีกก็เลยจะติดกับอยู่ในวัตตะวนของของการทำตามความอยากเพื่อดับความทุกข์ใจ ถ้าทำตามความอยากแล้วความความทุกข์ใจก็ดับไปเพียงชั่วคราวเช่นเวลาอยากดื่มอยากดูอยากฟังอยากรับประทานพอได้ดื่มได้รับประทานได้ดูได้ฟังความอยากนั้นก็จะหายไปชั่วคราวความทุกข์ก็หายไปชั่วคราวแต่จะหายไปเพียงเดียวเดียว เดี๋ยวความอยากก็จะกลับขึ้นมาใหม่และจะมีกาลังเพิ่มมากขึ้นไปอีกนี่คือความอยากนี้เองที่ทำให้เราต้องไปเกิดใหม่เวลาที่ร่างกายนี้หมดสภาพไปแล้วร่างกายนี้เป็นเพียงเครื่องมือเท่านั้นเองไม่ได้เป็นตัวเราของเราเป็นเครื่องมือเพราะร่างกายมีตาหูจมูกลิ้นกายที่ สามารถสัมผัสรับกับลูกเสียงกลิ่นรสผลตภะได้ที่ทําให้ใจเกิดสุขเวทนาขึ้นมาเวลาที่ได้สัมผัสกับลูกเสียงกลิ่นรสผลพภะที่ถูกอกถูกใจพอไม่มีร่างกายแต่ใจยังมีความอยากอยู่ใจก็ต้องไปหาร่างกายใหม่มาทดแทนเหมือนกับเวลาที่เรา มีความอยากที่จะเดินทางไปไหนมาไหนเราก็จะซื้อรถยนต์มาเป็นพาหนะพาเราไปตามสถานที่ต่างๆตามที่เราอยากไปพอรถยนต์หมดสภาพไปไม่สามารถพาให้เราไปไหนมาไหนได้แล้วเราก็จะไปหารถยนต์คันใหม่เพราะว่าเรายังมีความอยากที่ จะไปไหนมาไหนอีกเพราะการกระทําตามความอยากนี้จะไม่ได้ทําให้ความอยากหมดไปแต่กับการเป็นการต่ออายุของความอยากให้ยืดต่อออกไปอีกวิธีที่จะทําให้ความอยากหายไปหมดไปก็ต้องหยุดความอยากเท่านั้นคือไม่ทําตามความอยากทุกครั้งที่เกิดความอยากนี้ เราต้องไม่ทำตามถ้าเราไม่ทำตามแล้วต่อไปความอยากนี้ก็จะหายไปขอให้เรามองคนที่เขาไม่อยากดูทำไมเขาอยู่ได้ทำไมเขาไม่เดือดร้อนเช่นคนที่ไม่ติดยาเสพติดไม่ติดสุราไม่ติดบุหรี่ทำไมเขาอยู่ได้ทำไมเขาไม่มีความอยากเขาก็อยู่ได้ เราอยากไปคิดว่าถ้าเราไม่มีความอยากไม่ได้ทำตามความอยากแล้วเราจะอยู่ได้อย่างไรเราจะมีความสุขได้อย่างไรอันนี้เป็นความหลงที่หลงคิดว่าถ้าได้ทำตามความอยากแล้วจะมีความสุขถ้าไม่ได้ทำตามความอยากแล้วจะมีความทุกข์ถ้าเป็นความทุกข์ที่ไม่ทำตามความอยากก็เป็นความทุกข์ เพียงชั่วค่าวเท่านั้นเองเพราะว่าเวลาที่เราฝืนไม่ทำตามความอยากตอนนั้นใจของเราก็จะทุกข์อย่างแน่นอนแต่ถ้าเราฝืนได้ทนได้ไม่ทำตามความอยากได้ความอยากนั้นก็จะอ่อนกำลังลงไปและจะหมดกำลังไปในที่สุดเครื่องมือที่จะช่วยให้เราทนกับความทุกข์ ต่อสู้กับความอยากได้ก็คือการภาวนานี้เองจิตตะภาวนาได้ แ, แก่สมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาแต่ก่อนที่เราจะภาวนาได้เราก็จะต้องมีศีลเป็นผู้นำเราเข้าสู่การภาวนาก่อนที่เราจะมีศีลได้เราก็ต้องมีทานเป็นผู้พาเรา เข้าสู่ศีลอีกขั้นหนึ่งการภาวนากว่าที่เราจะเข้าถึงได้นี้ต้องผ่านประตูของศีลผ่านประตูของทานก่อนอถ้าเราไม่ทําทานเราจะรักษาศีลไม่ได้ถ้าเราไม่รักษาศีลเราจะภาวนาไม่ได้ถ้าเราภาวนาไม่ได้เราจะไม่มีกําลังที่จะสู้กับความอยากต่างๆ ทจะทนกับความทุกข์ทรมานใจที่เกิดจากความต่อสู้ความอยากการไม่ทําตามความอยากได้ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงต้องสอนให้พวกเราทําทานก่อนทําทานแล้วจะทําให้ใจของเรามีความเมตตามีความคิดดีปรารถนาดีต่อผู้อื่นจะไม่คิดร้ายต่อผู้อื่น จะไม่ทำร้ายผู้อื่นเพราะผู้ที่ทำแต่ดีความดีกับผู้อื่นจะไม่อยากจะทำร้ายผู้อื่นนั่นเองถ้าเราทำทานอยู่ได้ด้วยใจของเราจะมีความเมตตาการุณาจะไม่มีความคิดที่จะเบียดเบียนผู้อื่นสร้างความทุกข์ให้แก่ผู้อื่น พอเรามีทานแล้วใจของเราก็จะมีศีลตามมาจะไม่ชอบฆ่าสัตลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดโกโหกหลอกลวงเศษสุรายาเมาพอเรามีศีลแล้วใจของเราก็จะมีความสงบพอที่จะเข้าสู่การภาวนาได้ เข้าสู่การเจริญส ม, มถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาได้ถ้าเราได้เข้าถึงขั้นส ม, มถะและวิปัสสนาภาวนาแล้วเราก็จะมีเครื่องมือที่จะต่อสู้กับความอยากฝืนความอยากทนกับความอยากทนกับความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นจากการหยุดความอยากได้ เหมือนกับเวลาที่คนไข้จะให้หมอรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดหมอจะไม่ผ่าตัดคนไข้ทันทีก่อนที่จะผ่าตัดหมอจะต้องดมยาสลบทก่อนหรือฉีดยาชาถ้าผ่าโดยที่ไม่มียาชาหรือดมยาให้สลบนี้คนไข้จะทนรับกับความเจ็บปวดของ ของร่างกายไม่ได้ที่เกิดจากการผ่าตัดไม่ได้แต่ถ้าคนไข้ได้รับการฉีดยาชาหรือได้รับการดมยาสลบคนไข้ก็จะไม่รู้สึกอะไรกับเวลาที่ถูกผ่าตัดอย่งใดถ้าเรามีสมถะภาวนามีวิปัสสนาภาวนาเวลาที่เราจะหยุดความอยากนี้ จะไม่รู้สึกทุกท์ทร ม, มานใจใดอย่างใรกับจะเห็นโทษเห็นความโทษของความอยากเห็นว่าเวลาเกิดความอยากนี่แหละที่เกิดความทุกข์ขึ้นมาพอหยุดความอยากได้ปับ๊บความทุกข์ก็จะหายไปทันทีดังนั้นก่อนที่เราจะมาต่อสู้กับข้าสึกศัตรูได้ เราต้องไปสะสมอาวุธยุทธโธปกรเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่จะเราเอามาใช้กับการต่อสู้กับข้าศึกศัตรูของเราคือมาต่อสู้กับกิเลสตัณหาโมหะาอาวิชชาด้วยการทำทานเราต้องฝืนต้องบังคับใจเราให้ให้แบ่งปันให้เสียสละ อย่าเอาเงินเอาทรัพยากรที่มีคุณค่าไปใช้ตามความอยากเพราะจะเป็นการทำลายํารลายความสุขเป็นการสร้างความทุกข์ให้กับใจของเราเป็นการส่งเสริมศัตรูของพวกเราเป็นการให้สเสบียงกับข้าศึกศัตรูไม่ได้เป็นการสะสมยุทธโธปกรณ เพื่อที่จะเอาไว้มาใช้ในการต่อสู้ฆ่าฟันฆ่าศึกศัตรูของเราเอาทรัพยากรสมบัติข้าวของเงินทองที่มีมากเกินความจำเป็นต่อการดำรงชีพนี้ไปแบ่งปันไปให้แจกจ่ายสงเคราะห์ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อน ให้เขาได้รับความสุขให้เขามีความสุขบ้างให้เขาบรรเทาความทุกข์ความเดือดร้อนต่างๆบ้างเวลาที่เราได้สงเคราะห์ผู้อื่นได้แบ่งปันได้จาคะได้เสียสละทรัพยากรของเราไปแทนที่เราจะเกิดความทุกข์ใจเราจะเกิดความสุขใจ เกิดความอิ่มใจขึ้นมาอันนี้เป็นการสะสมพลังของจิตคือเอาวุธยุทธโธปรกรณ์ต่างๆที่จะเอาไปใช้ต่อสู้กับกิเลสตัณหาโมหะวิวิชชาพอเราบริจาคได้บ่อยๆทำทานได้บ่อยๆเราก็จะรักษาศีลได้อย่างง่ายได้พอเรารักษาศีลได้ บ Being, ริจาคได้เราก็จะมีเวลามีกําลังที่จะมาเจริญสมถะและวิปัสสนาภาวนาการที่เรายังไม่มีเวลาที<ๆ>่จะมาเจริญสมถะและวิปัสสนาภาวนาก็เพราะว่าเรายังไม่มีจากะเรายังไม่มีฐานมากพอเรายังอยากจะใช้ทรัพยากรของเราไปในการส่งเสริมอ กิเลตัณหาของเราด้วยการซื้อของต่างๆที่เราอยากได้ทั้งๆที่ไม่มีเขาเราก็ไม่เดือดร้อนเช่นซื้อรถยนต์คันแพงราคาแพงๆซื้อข้าวของต่างๆราคาแพงๆซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆที่มีราคาแพงๆต้องใช้เงินทองมากๆ ต้องไปเที่ยวต้องไปดื่มต้องไปรับประทานของแพงๆเมื่อเราใช้เงินมากเราก็ต้องหาเงินมากเราก็ต้องใช้เวลากับการหาเงินพอได้เงินมาเราก็ต้องใช้เวลาไปกับการใช้เงินใช้ทองไปเที่ยวไปดิ่มไปรับประทานไปซื้อข้าวของต่างๆที่เราอยากได้กันแต่ผลเป็นอย่างไร ผลก็คือความอยากก็ยังมีอยู่เต็มหัวใจความโลภความโกรธความหลงก็ยังมีอยู่และมีมากขึ้นกว่าเดิมเสียได้ซ้าไปแล้วเราก็จะไม่สามารถรักษาสิลได้เพราะเวลาที่เราอยากจะได้เงินมากมา ก, มากเราก็อยากจะได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วถ้ามีวิธีทำได้อย่างรัดทางรัดคือไม่ต้องรักษาศีล ทำทำผิดศีลไปก็จะทำกันอันนี้ก็เลยจะทำให้จิตใจว้าวุ่นขุนมัววุ่นวายวิตกกังวลกับการทำผิดต่างๆเมื่อมีใจไม่มีทานไม่มีศีลแล้วก็จะให้พูดถึงเรื่องภาวนาแล้วก็อยากไปพูดให้เสียเวลาไม่สามารถที่จะเข้าถึงการภาวนาได้ไม่สามารถมองเห็นคุณเห็นประโยชน์ ของการภาวนาได้เพราะจะถูกความหลงหลอกให้เห็นแต่ประโยชน์สุขที่จะได้จากการหาเงินหาทองใช้เงินใช้ทองก็จะบ่นว่าไม่มีเวลาที่จะเข้าวัดไม่มีเวลาที่จะภาวนาก็เมื่อเราไม่ให้เวลากับการเข้าวัดกับการภาวนาเราไปให้งาให้เวลากับการหาเงินหาทองใช้เงินใช้ทองอยู่ตลอดเวลา แล้วเราจะมีเวลามาเข้าวัดมารักษาศีลมาภาวนาได้อย่างไรนี่แหละคือผลที่เราได้รับจากการถูกความหลงหลอกให้เราไปทําตามความอยากต่างๆเราจรึงไม่สามารถที่จะเข้าสู่สมถะและวิปัสสนาภาวนาได้ถ้าเข้าได้ก็เป็นการเข้าแบบไปดูหนังตัวอย่างเท่านั้นเอง เมื่อไหนช่วงไหนมีเวลาว่างคือไม่รู้จะไปไหนแล้วทเที่ยวจนเบื่อแล้วกินจนเบื่อแล้วดื่มจนเบื่อแล้วเวลานั้นก็ลองเข้าวัดสักพักหนึ่งเดีก็ <c oughs> เข้าได้อยู่ช่วงระยะสั้นๆพอเข้าได้ไม่นานก็าหายความเบื่อที่เบื่อทเที่ยวเบื่อดื่มเบื่อรับประทานมันก็หายไปความอยากเที่ยวอยากดื่มอยากรับประทานก็กลับมาใหม่ ก็ถูกความอยากนี้จุดลากให้ออกไปหาเงินหาทองออกไปใช้เงินใช้ทองใหม่อีกรอบนี่คือเรื่องของพวกเราเป็นแบบนี้กันการภาวนาของพวกเราจึงไม่ค่อยคืบหน้าไม่ค่อยได้ผลเป็นกรอบเป็นกรรมได้ก็ได้แบบดูหนังตัวอย่างเท่านั้นเองได้หนังเรื่องหนึ่งยาวสองชั่วโมง เราได้แค่เพียงแคนาทีสองนาทีเท่านั้นเองเพราะเราไม่มีเวลามัวแต่เสียเวลากับการหาเงินใช้เงินนี้เองดังนั้นเราต้องคลิกการดาเนินชีวิตของเราเราต้องหยุดการใช้เงินเนือลดการใช้เงินให้น้อยลงไปเพื่อเราจะได้ไม่ต้องหาเงินมากไม่ต้องเสียเวลาหาเงินมากจนเกินไปเมื่อเรา เอาเอาเงินที่เราจะไปใช้กับการส่งเสริมกิเลสตัณหาเราเอามาใช้กับการบรรทอนตัดกําลังของกิเลสตัณหาด้วยการทําบุญให้ทานกิเลสตัณหาก็จะอ่อนกําลังลงความอยากที่จะใช้เงินก็จะน้อยลงไปเมื่อเราไม่ใช้เงินเราก็ไม่ต้องเสียเวลากับการไปหาเงิน แล้วเราก็จะเห็นว่าเราจะมีเวลาที่จะมาวัดมารักษาศีลมาภาวนามาปฏิบัติทําได้มาเจริญสมถะมาเจริญวิปัสสนาภาวนาได้นี่คือการเริ่มต้นของการปฏิบัติเริ่มต้นที่ทานคือเอาพยายามเอาทรัพยากรเงินทองนี้เอามาจากกิเลสให้หมดอย่าปล่อยให้กิเลสเอาไป อย่าไให้ตันหาความอยากอยากเที่ยวเอาไปอยากซื้อรถคันใหม่เอาไปอยากซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆเอาไปดึงเอามาเอามาทางทานเสียให้ได้เอามาบั่นทอนเอามาตัดกำลังกิเลส ต, ตันหาแทนที่จะไปซื้อรถคันใหม่ก็ใช้รถคันเก่าไปเอาเงินนี้ไปบริจาคหรือซื้อรถอีกคันหนึ่งให้กับ หน่วยงานที่ทำสาธารณประโยชน์ก็ได้ให้รู้สซื้ออุปกรณ์แพทย์ต่างๆใช้ในโรงพยาบาลเพื่อที่จะมารักษาคนป่วยคนไข้ที่ไม่มีเงินทองที่จะที่จะจ่ายคือไปบอยจากเงินทองให้กับโรงพยาบาลของรัฐของที่ไม่คิดค่ารักษาพยาบาลแก่คนไข้ ถ้าเราทำอย่างนี้เราก็จะได้ยิงทีเดียวยิงปืน ก, ะ ส, นกะสุนนัดเดียวได้นกสองตัวก็คือได้ได้ตัดกำลังของกิเลสตัณหาและได้ยุติการส่งเสริมกำลังของกิเลสตัณหาถ้าเราเอาเงินไปซื้อข้าวของเงินเทะซื้อข้าวของต่างๆที่กิเลสตัณหาอยากได้ก็จะทำให้กิเลสตัณหามีกำลังมากขึ้น ไม่ได้ทำให้เกเรตันหามีกำลังลดน้อยลงไปดังนั้นเราต้องพยายามบังคับตัวเราเองใจของเราเองว่าอย่าซื้ออย่าใช้เงินไปกับความอยากให้เอาเงินนี้ไปใช้กับการแบ่งปันสงเคราะห์ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนถ้าเราทำได้แล้วเราก็จะ เดินก้าวหน้าต่อไปได้เราก็จะรักษาศีลได้เราก็จะมีเวลาเข้าวัดได้มีเวลาจเจริญสมถะ ภ, ภาวนาจเจริญวิปัสสนาภาวนาได้พอเราได้จเจริญสมถะ ภ, ภาวนาวิปัสสนาภาวนาแล้วเราก็จะสามารถที่จะหยุดความอยากได้อย่างถาวร <c oughs> พอไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจแล้ว เราก็จะไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ภายในใจจะมีแต่ความสุขที่เกิดจากความสงบของใจไปตลอดใจสงบเพราะไม่มีความอยากใจไม่สงบเพราะมีความอยากตราบใดที่ยังมีความอยากอยู่ตราบนั้นใจของเราจะไม่มีความสงบหรือถ้าสงบก็สงบชั่วขณะที่ความอยาก อ่อนกำลังลงหรือไม่ทำงานเช่นเวลาเข้าไปในสมาธิความอยากก็จะไม่ทำงานหรือเวลาได้ตอบสนองความอยากแล้วเช่นอยากจะดูอยากจะฟังก็ไปดูไปฟังแล้วพอได้ดูได้ฟังแล้วความอยากดูอยากฟังนั้นก็จะหายไปชั่วคราวเช่นอยากจะดูภาพยนตร์เรื่องนี้พอได้ดูแล้วความอยากดูภาพยนตร์เรื่องนี้ก็จะหมดไป เดี๋ยวไม่นานก็จะเกิดความอยากดูภาพยนตร์เรื่องใหม่ขึ้นมาอีกเพราะการทําตามความอยากนี้ไม่ได้ทําลายความอยากอย่างถาวรแต่กลับจะเพิ่มความอยากให้มีเพิ่มมากขึ้นแต่การทําหยุดความอยากด้วยการทําใจให้สงบนี้จะลดกําลังของความอยากให้อ่อนลงไปให้เบาลงไปแต่ยังไม่ถึงกับ ทำลายให้ตายได้ให้ให้ตายอย่างถาวรได้ถ้าอยากจะให้ตายอย่างถาวรเวลาออกจากสมาธิมาแล้วก็ต้องใช้ปัญญาเท่านั้นถึงจะสามารถถอนรากถอนโคนของความอยากได้หมดทำลายความอยากได้อย่างถาวรปัญญาที่จะทำให้ไม่ให้เกิดความอยากก็คือต้องเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทุก เพราะทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ของเราไม่อยู่กับเราไปตลอดไม่อยู่ภายใต้อำนาจการควบคุมบังคับของเราโดยปกติเวลาเราได้อะไรมานี้เรามักจะอยากให้เขาเป็นเหมือนตามที่เราอยากให้เขาเป็นเวลาที่เราไม่สามารถบังคับให้เขาเป็นได้เราก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา เชนเราซื้อรถยนต์มานี้เราก็อยากจะให้รถยนต์นี้รับใช้เราตลอดเวลาเราอยากจะขับรถเมื่อไหร่ขึ้นรถเมื่อไหร่ก็ต้องพาแล้วพาเราไปไหนมาไหนได้ทันทีแต่เวลาใดที่ขึ้นรถแล้วสตาร์ทไม่ติดหรือเหยียบคันหรือสตาร์ท ต, ติดแต่ไม่ยอมวิ่งอย่างนี้เวลานั้นก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาทันทีเพราะว่า เราลืมไปว่าเขาจะไม่อยู่ภายใต้คำสั่งของเราเสมอไปเราสั่งให้เขาพาเราไปที่นั่นที่นี่แต่เขาบอกว่าวันนี้ขี้เกียจไปเสร็จแล้วอยากจะอยู่ตรงนี้ถ้าอยากจะให้พาไปคุณก็ต้องมาดูซิว่าทำไมถึงทำให้เราไปไม่ได้นี่แหละคือปัญญาเราต้องเห็นใจรัก เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี้ให้ได้ถ้าเราเห็นอนิจจังท <mac> <messaging> ุกขังอนัตตาแล้วเราก็จะไม่อยากได้อะไรถ้าเห็นลาภยศสรรเสริญว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็จะไม่อยากได้ลาภยศสรรเสริญที่เราอยากได้ลาภยศสรรเสริญกันก็เพราะว่าเราไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองเรากลับเห็นว่าเป็นนิจจังสุขขังอัตตา เราจะคิดว่าลาบยศสรรเสริญจะอยู่กับเราไปตลอดเป็นของเราจะไม่มีใครมาพัดภาคจากเราไปได้จะให้ความสุขกับเราไปตลอดนี่เป็นความเห็นของความหลงไม่ใช่เป็นความเห็นของความของปัญญาหรือของความจริงนั่นเองปัญญาจึงต้องมาแก้ความหลงมาสอนให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เช่นลาบยศสรรเสริญเช่นลูกเสียงกลิ่นรสผุดพะนี้ เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงมีเกิดแล้วมีดับมีมาแล้วมีไปมีเจริญแล้วมีเสือ่อมเป็นอนัตตาก็คืเอเราไปควบคุมบังคับไปดึงเขาไว้ไม่ได้เวลาเขาจะจากออกไปเวลาเขาจะเปลี่ยนไปเราห้ามเขาไม่ได้ถ้าเราเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วความอยากก็จะไม่สามารถ ชุดลากเราให้ไปทำตามความอยากได้ปัญหาของพวกเราตอนนี้ก็คือเวลาเกิดความอยากเรามองไม่เห็นนิจจังทุกขังอนัตตากันเรากลับเห็นว่าเป็นสุขจังเป็นเห็นเห็นว่าเป็นนิจจังสุขขังอัตตากันพอเห็นรถคันใหม่นี้ตาลุกวาวขึ้นมาเลยว่าโอ้สวยน่าขับน่าเอามาใช้ทันทีเนี่แสดงว่าเห็นว่าเป็นนิจจังสุขขังอัตตาแล้ว ไม่เห็นว่าเวลาใช้ไปแล้วมันเก่ามันเสื่อมจะต้องเข้าโรงเข้าอู่ซ่อมหรือเวลาถูกขโมยไปหรือจอดทิ้งไว้แล้วเกิดอุบัติเหตุรถใครมาชนจอดอยู่เฉยก็ถูกรถขนนิ่นชนขึ้นมาอันนี้เราจะไม่เห็นกันจะมาปวดหัวกันทีหลังหลังจากที่ซื้อรถมาแล้วยิ่งถ้าเป็นรถใหม่ๆนี่บางทีรักรถยิ่งกว่ารักภรรยาหรือรักสามีสี เวลาจอดรถนี่ไม่รู้ว่าจะเป็นห่วงเป็นใ ย, ยอย่างไรกินไม่ได้นอนไม่หลับถ้าหาที่จอดที่ปลอดภัยไม่ได้เนี่ยอันนี้ก็เป็นความทุกข์ขึ้นมาแล้วแต่เรามองไม่เห็นกันเพราะเราไม่คิดกันเราคิดแต่ส่วนที่ความหลงอยากจะให้เราคิดว่าสวยว่างาว่าสบายสะดวกพาเราไปที่ไหนมาไหนได้อย่างรวดเร็ว และตามความอยากของเราทำตามความอยากของเราได้แต่ไม่เคยคิดถึงเวลาที่เวลาไม่สามารถทำตามความอยากได้หรือเวลาที่เราจะต้องมาห่วงมาห่วงว่ามันเป็นความทุกข์หรือเป็นความสุขกันแน่ถ้าเราใช้ปัญญาคิดไปในทางอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วเราก็จะเห็นว่ามันเป็นความทุกข์พอเราเห็นว่าเป็นความทุกข์เราก็จะ ไม่อยากได้ไม่มีดีกว่าใช้รถเก่านี่สบายจอดทิ้งไว้ตรงไหนก็ไม่เดือดร้อนซื้อรถใหม่มานี่เป็นห่วงเป็นใ ย, ยต้องมาเสียเงินเพิ่มอีกต้องมาซื้อประกันอีกรถเก่านี้ไม่ต้องเสียเงินจอดมันทิ้งไว้ที่ไหนก็ได้ใครอยากจะทำอะไรมันก็ปล่อยมันทำไปดังนั้นพระเจ้าจึงมักจะสอนให้ใช้ของเก่าๆอยาไปใช้ของใหม่ ใช้ของเก่าแล้วสบายใจใช้ของใหม่แล้วมันจะทุกข์ใจเ้าจะต้องเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆเพราะของเก่าของใหม่นี้ได้มาไม่นานมัน sure. ก็กลายเป็นของเก่าอยู่ดีใช้ไปปีสองปีมันก็เก่าก็ต้องเปลี่ยนใหม่อยู่เรื่อยๆถ้าต้องเปลี่ยนใหม่ก็ต้องใช้เงินเพิ่มต้องซื้อต้องเสียเงินเพิ่มก็ต้องหาเงินอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าใช้ของเก่าไปก็ไม่ต้องมาวุ่นวายกับการหาเงิน นี่ไหมนี่ในกรณีที่ยังต้องใช้รถยนต์อยู่ถ้าไม่อยากจะใช้รถยนต์ได้ก็ยิ่งดีใหญ่ก็ใช้รถสาธารณะไปก็ยิ่งสบายใหญ่อยากจะขึ้นรถเมย์ก็ขึ้นได้อยากจะขึ้นแท็กซี่ก็ขึ้นได้ไม่ต้องกังวลกับการหาที่จอดรถมีคนขับให้ตลอดเวลาอยากจะลงตรงไหนก็ลงได้ทันทีทันใดนี่คือเรื่องของปัญญาให้หัดคิดอย่างนี้บ้าง เพื่อนที่เราจะได้กาจัดความหลงที่จะหลอกให้เราไปเกิดความโลภเกิดความอยากแล้วก็เกิดความโกรธเกิดความทุกข์เกิดความเสียใจยตามมานี่คือคาสอนของพระพุทธเจ้าที่พวกเรามาฟังกันฟังแล้วก็ควรที่จะนาเอาไปพิจารณาอยู่เนืองๆ เ, เพราะถ้าเราไม่เอาไปพิจารณาแล้วเดี๋ยวก็ถูกความหลงมา หลอกดึงไปคิดตามความหลงอีกแต่ถ้าคอยคิดอยู่เรื่อยๆเวลาความหลงมาฉุดลากไปเราจะได้มีอะไรคอยต่อสู้บ้างคอยดึงเอาไว้บ้างเช่นพอความหลงมาบอกว่าไอ้นั่นดีไอ้นี่ดีเราก็ต้องคิดทันทีว่ามันดีตรงไหนมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงถามมันแค่นี้แล้วมันจะอยู่ภายใต้อำนาจของเราได้หรือเปล่าเราจะสั่งให้มันดีไปตลอดได้หรือเปล่าถ้ามันดีจริงเรา เราสั่งให้มันดีกับเราไปได้ตลอดหรือเปล่าเราต้องต่อสู้ต้องต่อสู้กับความหลงที่จะคอยหลอกให้เราเห็นว่าไอ้นั่นดีไอ้นี่ดีเราต้องมองว่ามันดีจริงหรือเปล่ามีอะไรที่มันดีบ้างมีอะไรที่มันมันมันเที่ยงบ้างมีอะไรที่เราสั่งมันได้บ้างถามถามแค่สามคำคถามนี้ก็แล้วกันมันดีจริงหรือเปล่ามันเที่ยงจริงหรือเปล่า เราสั่งมันได้จริงหรือเปล่าถามแค่นี้แล้วเราจะได้คาตอบว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เราจะสั่งมันได้ที่ให้มันเที่ยงแท้แน่นอนที่จะให้ความสุขกับเราไปตลอดถ้าเราเห็นความจริงกันนี้แล้วเราก็จะไม่อยากได้อะไรพอเราไม่อยากได้แล้วแทนที่เราจะมีความทุกข์เรากลักบมีความสุขมีความสบายใจ จึงขอฝากเรื่องของการมาฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เรารู้ความจริงเพื่อที่เราจะได้เอาความจริงนี้มากําจัดความหลงที่เป็นต้นเหตุของการสร้างความโลภสร้างความอยากสร้างความโกรธสร้างความทุกข์ต่างๆให้เกิดขึ้นก็ขอยุติเอาไว้เพียงท่านี้เราต่อไปนี้จะอนุโมทนาให้พร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 ระโสยะาสัพีติโยวิวัชานตุสัพพรโควินัสตุมาเตภวะตะวันตาายยสุขีธีขายุโกภวะอภิวาธนสีิทธสิจังวุฒาปจายโนจตารโรธมาวะฏานติอายุวันโอสุขังภาลาง เพราเปรื่ของสมาธิประจุบัญญิสมาธิยาวสมาธิระดับความอยากวระดับกันอันนี้เรียกช่อบัญญาเฉพาะกิจเช่นเราจะมานั่งสมาธิแล้วจิตเราไม่ยอมไม่ยอมอยู่กับอารมณ์ที่เรากําหนดไว้เช่นดูลมหายใจเข้าออกหรือบริกรรมพุทโธพุทโธ พอเราไปกังวลกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นเราอาจจะโกรธคนที่เขามาทําอะไรให้เราไม่พอใจแล้วก็ยังคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราโกรธอยู่เวลาจะพุโทโธก็พุโทโธไม่ได้ดูลมก็ดูลมไม่ได้เราก็ต้องเอาปัญญามาตัดความโกรธให้ได้พิจารณาว่าสิ่ง คนที่ก็ททำให้เราโกรธเขาก็ทำไปแล้วเหตุการณ์ก็ผ่านไปแล้วแล้วเขาก็เป็นอนัตตาก็คือเราไปห้ามเขาไม่ได้เราไปห้ามเขาไม่ทำให้เราโกรธไม่ได้เราไปสั่งเขาไม่ได้เขาเป็นอนัตตอาถ้าเราพิจารณาแล้วก็จะก็จะปล่อยวางได้พอยอมรับว่าเออหนึ่งเหตุการณ์มันก็ผ่านไปแล้วสอง เราก็ไปห้ามเขาไม่ได้แล้วเราไปโกรธให้เสียเวลาทาไมหรือว่าถ้าเราวิตกกังวลว่าเราจะต้องสูญเสียสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปเราก็พิจารณาว่าไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องเสียทุกอย่างไปหมดพิจารณาด้วยปัญญาใช้ตายรักนี่แหละพิจารณาเข้าไปพอมันเห็นตายรักแนละ้วมันก็จะปล่อยวางเรื่องที่ทำให้เรายึดติดได้เรื่องที่ทาให้เราโกรธได้ ด้วยความกังวลเกี่ยวกับกิจาการของเรากลัวจะแจ้งอย่างนี้เราก็พิจารณาว่าเจ้งหรือไม่แจ้งสักวันหนึ่งมันก็ต้องจากเราไปอยู่ดีเพราะไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนพอเราเห็นด้วยปัญญาเราก็จะตัดความโกรธตัดความมิต ก, กังวลกับเรื่องที่มาเป็นอุปสรรคต่อการภาวนาของเราได้อันนี้เรียกว่าปัญญานมสมาธิเพื่อดึงใจให้กลับเข้ามาสู่ภาวะปกตินี่ พอใจปกติแล้วเราก็จะภาวนาพุทโธไปได้ดูลมหายใจต่อไปได้หรือว่าถ้าตัดได้เต็มถ้ามันตัดได้บางทีมันก็อาจจะดิ่งเข้าสู่ความสงบเลยก็ได้ไม่ต้องพุทโธเลยก็ได้ไม่ต้องดูลมเลยก็ได้อันนี้มันก็เรียกว่าปัญญาลมสมาธิแต่มันเป็นปัญญาเฉพาะกิจแก้ปัญหาเฉพาะเรื่อง ใช่เพราะปัญญาที่จะเป็นวิปัสสนานี้ต้องพิจารณาสิ่งที่เรายังเรายังมีความอยากอยู่ด้วยที่ยังที่เรายังตัดไม่ได้เ็นเราถ้าเรายังอยากในลาบยศสรรเสริญอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะเราก็ต้องพิจารณาแล้วตัดมันให้ได้หยุดการแสวงหาลาบยศสรรเสริญหยุดการแสวงหารูปเสียงกลิ่นรสผลพภะ พอเราตัดส่วนนี้ได้แล้วเราก็ต้องมาตัดส่วนที่เรายังตัดไม่ได้ก็คือร่างกายของเราลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาเราก็ยังตัดไม่ได้เราก็ต้องมาตัดตัวนี้ตัดตัดตัวนี้หมดแล้วมันก็ยังต้องเข้าไปตัดกิเลสที่มันหลบเข้าไปซ่อนอยู่ในจิตอีกทีนึ่งอวิชชาเนี่ยมันอยู่ในจิตอัตตาตัวตนมานะมันยังอยู่ในจิตอยู่มันต้องเข้าไปอันนี้ถึงเรียกว่าเป็นวิปัสสนา ปัญญาส่วนปัญญาลงสมาธินี้เป็นปัญญาที่ใช้กับเหตุการณ์ที่ปัจจุบันทันด่วนเวลาจะนั่งสมาธิทำใจให้สงบมันไม่ยอมสงบก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาตัดเรื่องที่ทำให้เราไม่สงบเพราะเวลาถ้าลงหายใจมาหาสมาธินี่เป็ัิกสมาธิหายไม่หายนี่มันเราถ้าหายมัน มันไม่ได้เป็นตัววัดหรอกตัววัดที่แท้จริงมันต้องอยู่ที่ว่าจิตมันเป็นอุเบกขามันนิ่งมันสักแต่ว่ารู้ไอ้ตัวนั้นต่างหากที่จะเป็นตัววัดว่าเป็นสมาธิหรือเป็นไม่เป็นสมาธิบางทีลมไม่หายร่างกายไม่หายรูปเสียงกลินรถโพฏามตตไม่หายแต่ใจมันเป็นอุเบกขาอสักแต่ว่ารู้มันไม่มีอารมณ์กับสิ่งที่รับที่มาสัมผัสรับรู้มันก็อันนี้ก็เป็นสมาธิ แล้วจากคณิกะเลื่อนอปานานี้ก็อยู่ที่ช่วงเวลาของความสงบนี้ว่านานหรือสั้นยาวหรือสั้นถ้าสั้นก็เป็นคณิกะถ้ายาวก็เป็นอัปปนาแต่เป็นสมาธิเหมือนกันก็คือเป็นเป็ น, ปนสักแต่ว่ารู้เป็นเอกคต์เ อ, เอกคตกอารมณ์เป็นอุเบกขาไม่มีอารมณ์โลภโกรธหนองในขณะนั้น ยนอย่าไปกังวลกับเรื่องลมหรือเรื่องอะไรต่างๆการบางทีลมมีอยู่รู้อยู่แต่ใจมันไม่ไปวุ่นวายกับอะไรมันสบายสบายดูลมไปเสียงก็ได้ยินแต่ก็ไม่วุ่นวายกับเสียงที่ได้ยินร่างกายเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็ไม่วุ่นวายไปกับการเจ็บการปรวดของร่างกายไอ้อนี้ก็เรียกว่าเป็นสมาธิ จบจากกองทุกข์อีกกองนึงก็วิ่งเขาหากองทุกข์อีกกองนึงทุกจากการเรียนหนังสือหมดไปก็ทุกข์กับการหางานทำพอได้งานทำก็ทุกข์กับการรักษางานทุกข์กับกลัวการตกงานมันทุกข์ไปเรื่อยๆถ้าตามใจเรายังทำตามความอยากอยู่มันไปการเข้าหาความทุกข์อยู่เรื่อยถ้าจบแล้วไม่หางานทำไปบวชชีได้สบาย ไม่ต้องไปทุกข์กับอะไรนะทุกข์กับทุกข์กับการต่อสู้กับความอยากดีกว่าเพราะถ้าความต่อสู้กับความอยากเราชนะความอยากล้วก็จะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปแต่ถ้าทุกข์ทุกข์เพราะทำตามความอยากมันก็จะมีความทุกข์ใหม่มาต่อเติมให้อยู่เรื่อยๆเพราะจะมีความอยากใหม่ตามมาอยู่เรื่อยๆตอนต้นก็อยากจะเรียนจบพอเรียนจบแล้วทีนี้ก็อยากจะมีงานทำ พอมีงานทําก็อยากจะได้งานได้ตาแหน่งดีอยากจะเลื่อนขั้นเลื่อนชั้นขึ้นไปเรื่อยๆหรืออยากจะให้งานนี้ไม่ไม่ตกงานทําไปไม่ไม่ถูกไล่ออกไม่ถูกถูกปิดบริษัทไม่ถูกปิดอะไรอย่างนี้มันก็จะมีความทุกข์เพิ่มไปเรื่อยๆตามความอยากพอมีเงินทองก็อยากจะมีครอบครัวละสร้างครอบครัว ก็อยากหาแฟนพอได้แฟนมาก็อยากจะมีลูกมันก็ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็มีเรื่องให้ทุกข์ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดเพราะเราทำตามความอยากความอยากมันจะพาเราก็หากองทุกหนึ่งสุย ก, กองทุกหนึ่งว่างไงวันนี้มีปัญหาคำถามทางอินเทอร์เน็ตถามได้เลย ต่อไปเป็นคําถามจากทาง facebook พระอาจารย์สุชาติบิชาโตนะครับคําถามจากคุณแมน้นแม้นสีนะครับมีหลายข้อหน่อยนะครับอริยทรัพย์คืออะไรจัะทําอย่างไรจึงจะสะสมทรัพย์ชนิดนี้ได้มากอาริยทรัพย์ก็คือความสุขใจนี่แหละเรียกว่าอาริยทรัพย์การที่จะได้ ทรัพภายในนี้ก็คือต้องบําเพ็ญทานศีลภาวนานี่งข้อที่สองนะครับอริยทรัพย์มีวันเสื่อมหรือมีวันหมดไปได้หรือไม่อริยทรัพย์ก็บางส่วนก็เสื่อมได้บางส่วนก็ไม่เสื่อมเบื้องต้นก็ถ้ายังอยู่ในระดับโลกียะอยู่ก็คือระดับทานศีลสมาธินี้ยังเสื่อมได้อยู่ แต่พอเข้าสู่ระดับเออ่มรรคผลนิพพานคืออริยมรรคอริยผลนี้อันนี้จะไม่เสื่อมคือได้พอได้เป็นโสดาบันแล้วก็จะไม่เสื่อมจะไม่ลงมาเป็นปุตุชนพอได้อสกิรดาคามีก็จะไม่เสื่อมลงมาเป็นโสดาบันพอได้อนาคามีก็จะไม่เสื่อมลงมาเป็นสกิรดาคามี พอได้อรหันก็จะไม่เสืยอมลงมาเป็นอนาคามีข้อที่สามนะครับเฉพาะอาริยะบุคคลเท่านั้นถึงจะมีอริยทรัพย์ใช่หรือไม่ถ้าเราถ้าเราใช้คำว่าอาริย ก, <c oughs> ก็ก็คงจะต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอริยบุคคลถึงจะมีอริยทรัพย์แต่ถ้าเราพูดถึง ทรัพภายในใจคือความสุขใจนี้มันก็มีสองระดับระดับที่เป็นโลกิยะกับระดับที่เป็นโลกุตระระดับโลกุตระนี้มีแล้วไม่เสื่อมคือเป็นของพระอริยเจ้าทั้งหลายแต่ระดับของปุถุชนคือระดับโลกิยะนี่ยังมีเจริญน่าเสื่อมได้เช่นทำบุญไปตายไปได้เกิดเป็นเทพเป็นพรม แล้วก็จะเสื่อมลงมาได้พอบุญนี้หมดไปจากพรมก็ลงมาเป็นเทพจากเทพก็กลับมาลงมาเป็นมนุษย์ใหม่มและยังเป็นปุถุชนอยู่เหมือนเดิมคำถามข้อที่สี่นะครับการภาวนามาีได้บุญมากมีอนิสงส์มากเราสามารถอุทิศบุญชนิดนี้ได้หรือไม่ บุญชนิดไหนลงถามมา่การภาวนาได้บุญมากมีอนิสง์มากมเราสามารถอุทิตบุญชนิดนี้ได้หรือไม่อันนี้อุทิศไม่ได้ละบุญที่เกิดจากการภาวนานี้บุญที่เขาอุทิศกันก็เกิดบุญที่เกิดจากการทำทานแต่แต่เราสามารถที่จะใช้ในการในการแบ่ง บุญชนิดนี้ให้กับผู้อื่นได้คือเวลาเทวดามาฟังเทศฟังธรรมเราก็จะสามารถสอนให้เขาเจริญสมาธิเจริญปัญญาได้แต่บุญอุทิศนี้ส่วนใหญ่เราจะพูดถึงบุญที่เราให้กับเปรตเปรตนี้จะไม่มีความต้องการคือไม่มีภูมิที่จะรับบุญระดับภาวนาได้บุญเปรตนี้จะรอรับแต่บุญที่เกิดจาก ทานเท่านั้นข้อต่อไปนะครับเวลาครูบาอาจารย์ให้พรนั้นเราควรทําจิตณักขณะที่ท่านให้พรนั้นอย่างไรการให้พรก็เหมือนกับการฟังเทศฟังธรรมดีๆนี่เองการให้พร น, นี้ก็เป็นการแสดงธรรมแต่เรากลับมาคิดว่าเป็นการเ อ, อ ปุกเสกอาคาถาอาคมที่จะทำให้เร า, เามีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับเราซึ่งความจริงแล้วมันไม่ใช่มันเป็นการสอนสอนว่าการทาบุญนี้ทำแล้วเราสามารถอุทิศให้แก่ผู้ที่ร่วงลับไปได้คือผู้ที่เป็นเปรตแล้วก็แล้วก็อานิสงของการทาบุญนี้นอกจากแบ่งบุญ แบ่งปันนี้ให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วได้แล้วยังทําให้ชีวิตของเรานี้จเจริญรุ่งเรืองเป็นจเจริญด้วยอายุวันณนะสุขพะพละเป็นคําสอนเท่านั้นเองดังนั้นการทําบุญนี้ถ้าไม่มีพระมาอนุโมทนาให้พรก็ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้เสียหายหรือไม่ได้สูญเสียอะไรไปการให้พร น, นี้เป็นการสอนเท่านั้นเองบุญที่เราทําอยู่ก็ได้อยู่แล้วพระจะให้พรหรือไม่ให้พร แล้วบุญที่เราทำนี้เราก็อุทิศได้อยู่แล้วโดยที่ไม่ต้องมีพระมาส่วนส่วนให้พรกับเราข้อต่อไปนะครับมัชชีมาตามความหมายทางภาคปฏิบัติหมายความว่าอย่างไรจิตเป็นมัชชีมาหมายความว่าอย่างไรคําว่มามัชชีมานี้พระเจ้าท ร, ทรงใช้ว่าเป็นทางสายกลางมัชชีมาแปลว่า ก, กลางเอ ที่ทรงใช้คำว่ากงกลางก็คือว่าก่อนที่พระ อ, องค์จะท่งตัดสร้นี้จะมีการสแสวงหาวิธีดับทุกข์ด้วยสองวิธีด้วยกันที่เรียกว่าสุดโต่งไปไปทั้ ง, ไ ป, งไปทั้งสองด้านคือด้านหนึ่งก็หาดับความทุกข์ด้วยการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายทางราบยศสรรเสริญคื อ, คอหาเงินหาทองแล้วบอมีเงินมีทองก็มา ใช้เงินใช้ทองเพื่อจะดับความทุกข์ต่างๆไม่สบายใจก็ไปเที่ยวไม่สบายใจก็ไปดื่มไปดูไปฟังอย่างนี้วิธีนี้ก็ไม่ใช่เป็นวิธีที่ดับทุกข์ได้อย่างแท้จริงส่วนในวิธีหนึ่งก็เป็นวิธีสุดต่งทางด้านด้วยการดับทุกข์ด้วยการด้วยการสร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นแล้วทนอยู่กับความทุกข์นั้นเช่นทนอยู่กับการอยู่กับความทุกข์ยากลาบากต่างๆ บางคนก็ใช้วิธีเอาของของแหลมของคมมาทิ่มแทงร่างกายของตนเองบางคนก็ไม่อาบนะ้าบางคนก็ไม่ใส่เสื้อผ้าบางคนก็ไม่ตัดเท้าตัดผมโดยคิดว่าการทรมานร่างกายนี้จะทำให้ความทุกข์ต่างๆดับไปซึ่งการกระทำทั้งสองทางนี้ไม่สามารถดับความทุกข์ได้ พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนทรงทรงค้นพบวิธีที่อยู่กองกลางระหว่างทั้งสองทางนี้คือไม่ให้หาความสุขทางตาหูจมูกนิงกายแล้วก็ให้ทรมานตนแต่ทรมานพอสมควรคือเช่นให้รับประทานอาหารเพียงวันละหนึ่งครั้งอย่างนี้ให้ไปอยู่ตามสถานที่ที่ไม่มีความสะดวกสบายเช่นน้ำไฟเครื่องปรับอากาศพัดลม ของอะไรต่างๆที่ที่มีกันเอันนี้คือวิธีของทางสายกลางคือทางของทานศีลภาวนานี่เองเรียกว่าทางสายกลางมัชิมาปฏิปทาคำถามข้อต่อไปจากท่านเดียวกันนะครับประโยคต่อไปนี้ดูก่อนโมคคลาช เธอจงเป็นผู้มีสติทุกเมื่อพิจารณาโลกให้เป็นของศูนย์เปล่าว่วางเปล่าถอนอัตตานุทิฐิความสําคัญว่าเขาว่าเรา อ, อันเป็นก้างขวางคอนั้นออกเสียจะพึงข้ามพ้นพยามัจจุราชเสียได้พยามัจจุราชจะตามไม่ทันผู้พิจารณาโลกเป็นของว่างเปล่าอยู่อย่างนี้หลวงตามักจะเทศข้อความข้างต้น คำถามหนึ่งพิจารณาโลกให้เป็นของศูนย์เปล่า ว, ว่างเปล่าหมายถึงพิจารณาสมมุติทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์ใช่หรือไม่ใช่แล้วก็ให้เห็นว่าทุกอย่างเป็นเพียงดินน้ําลมไฟทุกอย่างมาจากดินน้ําลมไฟแต่เราไปสมมุติว่าสิ่งที่มารวมกันเป็นมามามารวมคือเรามาสมมุติว่า ธาตสี่ที่มารวมกันนี้เป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นหญิงเป็นชายเป็นของมีราคาเป็นของไม่มีราคาสุดแท้แต่ว่ามีความชอบมีความไม่ชอบกันเท่านั้นเองแต่ความจริงแล้วมันก็เป็นเพียงดินน้ำลมไฟเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคือมันไม่เที่ยงมันมารวมตัวกันแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องดับไปผู้ที่ไปหลงไปยึดติดก็จะต้องเกิดความทุกข์ใจ เพราะอยากจะอยู่กับสิ่งที่ตนเองชอบอยู่พอสิ่งที่ชอบนั้นเปลี่ยนไปเนื่มหมดไปก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแต่ถ้าเห็นว่ามันไม่เที่ยงทุกอย่างมารวมตัวกันแล้วเดี๋ยวก็ต้องหมดไปไม่มีอะไรสิ่งที่มารวมตัวก็คือดินน้ำลมไฟนี่เองปัสจกักตัวตนปัสจกักสมมติทั้งหลายข้อที่สองนะครับ ถอนอักตานุทิฐิความสำคัญว่าเขาว่าเราหมายถึงการพิจารณาร่างกายถอนอุปทานออกจากร่างกายและขันห้าใช่หรือไม่ก็ถอนแบบให้เห็นว่าทุกอย่างเป็นเพียงดินน้ำนมไฟเหมือนกันหมดที่เป็นตัวเป็นตนตนี้เป็นสมมุติเท่านั้นเองเป็นเหมือนเรามา่เล่นละครกันเวลาเรามาเล่นละครผู้กากับเ็ก็จะให้เราแสดงบทต่าง คนนี้ให้เป็นพระเอกคนนี้ให้เป็นนางเอกคนนี้ให้เป็นผู้ร้ายคนนี้ให้เป็นกษัตริย์คนนี้ให้เป็นทหารเอ่อเป็นเป็นมหาดเล็กเป็นอะไรต่างๆอันนี้เป็นการสมมุติเท่านั้นเองแต่ความจริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็มาจากดินน้ำมูลไฟแล้วก็กลับคืนสู่ดินน้ำมูลไฟไปเหมือนกับคนแสดงละครเวลาแสดงละครก็มา มันเป็นบทนั้นบทเล่นบทนั้นบทนี้กันพอเลือกเล่นละครต่างคนก็ต่างกลับไปเป็นคนธรรมดาข้อที่สามนะครับจะพึ่งข้ามพ้นพยามัจจุราชเสียได้พยามัจจุราชในที่นี้มีความหมายอย่างไรก็คือความตายไงจะไม่จะพ้นความตายได้ก็ต้องไม่กลับมาเกิดการจะไม่กลับมาเกิดก็ต้องไม่หลงกับโลกนี้ ถ้าไม่หลงก็จะไม่มีความอยากที่จะกลับมาแต่ถ้ายังหลงอยู่ก็ยังอยากจะกลับมาข้อที่สี่นะครับผู้ที่ทําจิตได้เหมือนตามครอบความข้างต้นคือจิตพระอาหารหันต์ใช่หรือไม่เ อ, อ่พระอาหารหนะันต์เนี่ยถึงไม่กลับมาเกิดเนะี่ยคำถามข้อต่อไปจากคุณวินนะครับอยากเรียนถามพระอาจารย์ตนเองมีปิติ เกิดขึ้นในหัวตัวเองในบางขณะลักษณะวูบวาบในศรีรษะโดยที่ไม่ต้องบริกรรมพุโทโธหรือบางครั้งเกิดในขณะฟังเสียงสวดมนต์หรือฟังเทศจากพระสงฆ์ลักษณะอย่างนี้ดีหรือไม่ครับเพราะยิ่งเอาใจมาดูอาการผิติที่กายยิ่งเป็นมากค่อนข้างควนสมาธิ ยิ่งตอนก่อนนั่งสมาธิพอท่องคำพุโทโธธัมโมสังโฆพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธอาการปิตินี้ก็จะเกิดแล้วและจับ ก, กวนการบริกรรมพุโทโธในช่วงนั่งสมาธิไม่ว่าจะบริกรรมย้ำฐานหรือตามลมแก้อาการกิริยาจิตอย่างไรดีครับก็อย่าไปสนใจกับอาการปิติที่เกิดขึ้น ให้พยายามจดจอ่ออยู่การบริกรรมพุทโธพุทโธไปอย่าไปสนใจแล้วเดี๋ยวปิตินั้นก็จะหายไปแล้วจิตก็จะเข้าสู่ความว่างเข้าสู่ความสงบได้คําถามข้อต่อไปจากคุณปิยนาธนะครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครับอยากเรียนถามพระอาจารย์ว่าข้อที่หนึ่งอยากให้พระอาจารย์แนะนําเรื่อง ปัญญานำหน้าสมาธิหรือสมาธินำหน้าปัญญาก็อย่างที่พูดเนี่ยเวลาท่านนั่งสมาธิแล้วใจไม่ยอมไม่ยอมจดจ่ออยู่กับอารมณ์ที่เรากำหนดไว้เช่นการบริกรรมพุทโธหรือดูลมหายใจเข้าออกเพราะยังไปผูกพันกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ให้ใช้ปัญญามาพิจารณาเรื่องที่จิตไปผูกพันไปติดอยู่ ถ้าพิจารณาเห็นว่าเป็นตายักเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะปล่อยวางเรื่องนั้นได้ใจก็จะกลับเข้ามาสู่ความเป็นปกติหรือเข้าสู่ความสงบได้ข้อที่สองนะครับคาว่าเห็นแจ้งคือเราเห็นแจ้งในตัวเราว่าเป็นไปตามตายรักใช่ไหมครับเห็นแจ้งก็คือเห็นอริยจสัตว์สี่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพร้อมๆกัน ข้อที่สามนะครับอยากให้พระอาจารย์อธิบายเรื่องการถือพระรัตนตัยการถือพระรัตนตัยก็คือถือพระรัตนตัยเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นผู้นำทางของเหานี้เองเหมือนกับเราเดินทางไปในสถานที่ที่เราไม่เคยไปเขาจะมีมกกักคุเทศถ้าเราเดินตามมากกักคุเทศไปมกกักคุเทศก็จะพาให้เราไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปได้ แต่ถ้าเราไม่เดินตามมาัคคุเทศเราไปฟังคนอื่นเราก็อาจจะถูกเขาหลอกไปให้หลงทางได้ดังนั้นเราต้องเชื่อคําสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เท่านั้นอย่าไปเชื่อคําสอนของผู้อื่นถ้าถ้าเกิดคําสอนของผู้อื่นนี้ขัดกับคําสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็ต้องไม่เชื่อแต่เราไม่จําเป็นจะต้องไปลบหลู่คําถามข้อต่อไปจากคุณ ตันบัสนะครับขอโอกาสถามพระอาจารย์เรื่องที่เคยได้ฟังเทศจากหลวงตาท่านเทศว่าพุทโธให้ติดแน่ตลอดเวลาถ้าขาดไปถือว่าความเพียรขาดทันทีและถ้าเราเผลอขาดไปแล้วรู้สึกตัวกลับมาได้ถือว่าพอใช้ได้ไหมครับหรือต้องให้ทีกว่าเดิม ก็ถ้าไม่ไม่เผลอได้ก็จะได้ผลดีถ้าเผลอมันก็จะได้ผลแบบขาดขาดขาดไปแล้วก็ต้องต่อใหม่พยายามทำให้มันต่อเนื่องถ้ามันขาดมันก็ยังไม่ดีพอมันควรจะทําไปยังกระทั่งมันไม่ขาดจนกระทั่งจิตรวมเข้าสู่ความสงบได้คําถามข้อต่อไปจากคุณเอนะครับขอสอบถามว่าถ้าจิตเราสงบ ไม่ค่อยคิดอะไรถึงแม้จะไม่ได้นั่งสมาธิแต่ก็สงสัยเหมือนกันว่าจิตเราสงบจริงหรือเพราะใครๆก็บอกว่าทำได้ยากแต่ทำไมเราทำได้ง่ายและก็ไม่ค่อยได้นั่งสมาธิเพราะนั่งทีไรก็นิ่งๆเฉยๆเหมือนไม่คึกหน้าอะไรรบกวนพระอาจารย์เนะแนะนำแนวทางปฏิบัติ คือความสงบที่ก็มีหลายระดับด้วยกันถ้าเราต้องการรู้ว่าความสงบของเรานี้ อ, อดีพอหรื อ, อยังก็ดูว่ามันหยุดความอยากได้หรื อ, อยัง <Okay. S 1> ถ้ายังหยุดความอยากไม่ได้ก็ยังถือว่ายังไม่ดีพอถ้าเป็นความสงบที่ที่ไม่มีความอยากอันนั้นแหะถึงจะเรียกว่าเป็นความสงบที่ดีถ้าสงบแล้วพอ นึกถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็อยากจะเกิดความอยากขึ้นมาอย่างนี้ก็ยังไม่ดีงนั้นขอให้ดูที่ความอยากก็แล้วกันว่าความสงบนี้ทาให้ความอยากนี้มันหายไปได้หรือเปล่าถ้ายังมีความอยากอยู่ก็ยังถือว่ายังสงบไม่พอคำถามข้อสุดท้ายนะครับจากคุณนนลพันธ์นะครับในการปฏิบัติใหม่ บางวันก็ปฏิบัติได้ดีจิตใจได้ความสงบแต่บางวันก็รู้สึกว่าจิตใจแปรปวนมากไม่สงบควรใช้อุบายอะไรมาแก้ไขก็ต้องใช้ความพยายามนี่แหละความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็อยู่ที่นั่นต้องพยายามเพียรักษาสติให้มากที่สุดเพราะการจะสงบหรือไม่สงบจะวุ่นวายหรือไม่วุ่นวายนี้ก็อยู่ที่สตินี่เอง เวลาใดที่เราเผลอเราไม่เจริญสติเวลานั้นใจของเราก็จะปรุงแต่งพอปรุงแต่งแล้วก็จะเกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาดังนั้นเวลาที่เรารู้สึกว่าใจเราฟุ้งซ่านหรือไม่สงบนี่แสดงว่าเราเผลอแล้วเราไม่เจริญสติใจเราไม่แนบอยู่กับพุทโธหรืออยู่กับองค์ภาวนาหรืออยู่กับอารมณ์ของกรรมฐานที่เรากำหนดเอาไว้เราก็ต้องกลับมาที่ตรงจุดนี้ต้องกลับมาที่การ จเจริญสติคือจะบริกรรมพุทธโธก็กลับมาบริกรรมพุทธโธต่ออย่าเผลอไปคิดไปพยายามคิดว่าเป็นปัญญามันไม่เป็นปัญญาเพราะว่าเรายังไม่มีความสามารถพอที่จะจะจ ะ, จะทำให้เป็นปัญญาได้ถ้าเป็นปัญญามันก็ต้องสงบถ้ามันฟุ้งนี่แสดงว่ามันไม่เป็นปัญญาแล้วมันเป็นกิเลสแล้วมันเป็น เป็นอวิชชาปัจจญาสังขาราแล้วเราต้องกลับมาที่การบริกรรมพุทโธพุทโธหรือกลับมากับอารมณ์ที่เราใช้กําหนดควบคุมจิตใจอย่าปล่อยให้ไปอถูกหลอกให้คิดว่าเป็นปัญญาให้คิดไปเรื่อยๆยิ่งคิดแล้วก็ยิ่งฟุ้งซ่านนั้นก็แสดงว่าไม่ใช่ทางแล้วเราต้องกลับมาที่จุดแรกของเราก็คือจุดที่เราเริ่มคือการเจริญสติ ด้วยการบริกรรมพุทโธหรือด้วยการเฝ้าดูร่างกายดูลมหายใจเข้าออกหรือสวดมน์อะไรก็ตามอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้พยายามเจริญสติแล้วเจ็ดก็จะสงบแล้วี่ับความสกบที่ลงปู่มัพูดถึงมีติคุตันอันนี้เหมือนชานสี่ไหมะก็คงจะเป็นอย่างนั้นังเป็นเข้าไปถึง ถึงขั้นอุเบกขาสักแต่ว่ารู้อันนั้นหล่ะจะไม่มีความโลภความโกรธความหลงอยู่เพียงแต่ว่ามันเป็นการหยุดชั่วคราวเท่านั้นเองพอจิตถอนออกมาจากฐานแล้วมันก็จะเริ่มคิดปรุงแต่งก็จะคิดปรุงแต่งไปในทางความโลภความโกรธความหลงต่อไปตอนนั้นถึงเป็นหน้าที่ของปัญญาที่จะต้องมาคอยต่อสู้กับความโลภความโกรธความหลง โดยการเจริญพิจารณาตายรักอยู่เรื่อยๆพิจารณาร่างกายพิจารณาสิ่งต่างๆว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรามันถึงจะสกัดออความโรคความโกรธความหลงได้ถ้าไม่ใช้ปัญญาออกมาปล่อยให้คิดไปด้วยเปอยก็จะกลับไปเหมือนกับตอนที่ยังไม่มีสมาธิและจิตก็จะพุ่งสร้างขึ้นมาใหม่ ก็ต้องกลับเข้าไปนั่งสมาธิใหม่เท่านั้นถึงจะทำให้มันสงบได้แต่ถ้าเราใช้ปัญญาเราก็ไม่ต้องกลับเข้าไปนั่งสมาธิก็ได้เราสามารถารักษาสมาธิรักษาความสงบที่เราได้จากจา ก, จากการนั่งสมาธิพอออกมาเราก็ใช้ปัญญาคอยคอยคอยกจัดความโลภความโกรธความหลงต่างๆ นี่ในระดับนั้นจะเป็นไมคะว่าถ้าถึงสีติภูตังแล้วพวกนั้นจะได้กระแสปสุดาบันขึ้นไปไม่ใช่สีติภูตังเน้นเป็นเพียงสมาธะภาวนา <c oughs> ผู้ที่จะได้สุวดาบานจะต้องมีปัญญาสากัดความอยากสากัดความหลงสามข้อคือกําจัดกรรจัดอะสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตารมาอน่นต้องใช้ปัญญา พิจารณาร่างกายให้เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นเพียงดินน้ำลมไฟไม่เที่ยงมีการเกิดแล้วมีการดับไปเวทนาก็เป็นเช่นเดียวกันเวทนาก็มีทั้งสุขมีทั้งทุกข์มีทั้งไม่สุขไม่ทุกข์ไม่ควบคุมบังคับไปสั่งให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้เวลาเขาสุขก็ปล่อยเขาสุขไปเวลาเขาทุกข์ก็ปล่อยเขาทุกข์ไปอยากไปอยากให้เขาหายไป อยากก็อยากให้เขาอยู่นานๆเช่นเวลาเกิดความสุขก็อยากจะให้อยู่นานๆเวลาเกิดความทุกข์ก็อยากจะให้เขาหายไปถ้าเกิดความอยากแล้วก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะไม่เห็นว่าเขาเป็นอนัตตาพอเห็นว่าเขาเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราของเราก็จะละส ก, กายรัติถิได้จิตก็จะไม่ทุกข์กับความเจ็บความแก่ความตายของร่างกาย ปล่อยวางร่างกายเกี่ยวกับเรื่องความแก่ความเจ็บความตายได้ก็จะไม่กลัวความแก่ความเจ็บความตายก็มไม่ต้องไปทําบุญสด็เคาะไปทําพิธีกรรมต่างๆเพราะเห็นความจริงแล้วว่าทําไงมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายคนที่ไปทําบุญสเสด็เคาะไปทําพิธีต่างๆเพราะคิดว่าทําแล้วจะทําให้ข้อกรรมต่างๆหมดไปแต่ข้อกรรมมันไม่หมดตามใดที่ มันยังมีบาปกรรมที่ทำมาอยู่มันก็ยังจะส่งผลต่อไปแล้วก็ความเสื่อมของสังขารของขันก็เป็นเรื่องธรรมดามีเกิดมีดับไปห้ามเขาไม่ได้อยู่ดีแต่ทำบุญสะดวกเขาก็ไม่ไม่สามารถยับยั้งความเจ็บไข้ได้ป่วยได้ไม่สามารถยับยังบยยาายบย้งความตายได้อยู่ดีผู้ที่เห็นความจริงอันนี้ก็จะไม่ไปไปทาพิธีกรรมต่างๆไม่ไปทาพิธี สะเดาะเคาะหเพื่อดับความทุกข์ดับความอะไรต่างๆจะดับความทุกข์ด้วยการปล่อยวางหยุดความอยากหยุดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากไม่เจ๊งอยากไม่จนเนี่ย้วตัดนี้ได้แล้วก็ไม่ต้องไปทําบุญไม่ต้องไปนอดใต้ทุนโบสถ์ไม่ต้องไปเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลไม่ต้องไปเปลี่ยนทรงผมไม่ต้องไปทําอะไรต่างๆที่ไม่ใช่เป็นเหตุที่จะทําดับความทุกข์ใจ ความทุกข์ใจเกิดจากความอยากให้สิ่งที่เสื่อมไม่เสื่อมท่า น, นั้นเองพอยอมรับความเสื่อมได้มันก็จะมันก็จบยอมรับความตายได้ก็จบยอมรับความเจ็บไข้ได้ป่วยได้ก็จบไม่ต้องไปทําอะไรทํามันก็ไม่เปลี่ยนแปลงมันก็ไม่ไปเปลี่ยนให้ไม่ตายไม่แก่ไม่เจ็บได้ไม่เสื่อมได้มันไม่เปลี่ยนแปลงแต่คนที่ยอมรับความจริงแล้วจะไม่ทุกข์กับสิ่งเหล่านี้ ก็สบายใจแก่ก็สบายเจ็บไข้ได้ป่วยก็สบายตายก็ตายก็สบายเนี่ยเรียกว่าละส ก, กายทิติละศีลพัตปัลมาติละวิจิกิจฉาความสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้เพราะมีดวงตาเห็นธรรมแล้วเห็นว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนว่าทุกอย่างเป็นตายลักษณ์นเห็นแล้วเห็นอริยสัจสี่แล้วเห็นว่าความทุกข์นี่เกิดจากความอยากของเราเอง เห็นวิธีละความทุกก็คือต้องปล่อยต้องต้องยอมรับความจริงว่าทุกอย่างเกิดมาแล้วต้องมีการเสริมไปเป็นธรรมดานี่ก็เรียกว่าเห็นอริยสัจสี่เห็นไตรลักษณ์ก็เรียกว่าเห็นธรรมผู้ที่เห็นธรรมก็จะเห็นตถาคตเห็นพระพุทธเจ้าเพราะนี่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นความรู้ของพระพุทธเจ้าไม่มีใครรู้มาก่อนมีพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียวตอนนี้เรารู้เหมือนพระพุทธเจ้าได้รู้แล้ว เราก็ไม่สงสัยในพระพุทธเจ้าแล้วไม่สงสัยในพระธรรมคำสอนเราไม่สงสัยว่ามีพระอริยสงฆ์จริงหรือไม่เพราะผู้ที่รู้นี่แหละก็คือพระอริยสงฆ์ดีๆนี่เองเรียกว่านี่แหละเรียกว่าปัญญาเพื่อเพื่อดับความทุกข์ดับความอยากดับความหลงในขั้นของพระโสดาบันแต่ยังยังมีความหลงความอยากอีกหลายขั้นด้วยกัน การพัสสกีดาคามีพระอนาคามีพระอาหารหันต์นี้ยังมีงานต้องทําต่อยังต้องใช้ปัญญากําจัดความหนงต่างๆความอยากต่างๆที่ยังมีหนงเหลืออยู่ภายในใจต่อไปปัญหาขณะที่เกิดขึ้นในตอนทำสมาธิผมเคยองพิจารณสองอย่างอย่างที่อาารบอกว่าปุญยยาเพราะมันไม่เท่ยงเดี๋ยวเมื่อต่อไปความจุดบวดนั้นอันที่สองคือ จะสัมปชัญญ้คือความรูกตัวทั่วพร้อมคือลองทั้งสองอย่างเนี่ยแต่วันนั้นนั้นคืออย่างคืออย่างที่สองคือทําความรุกตัวทั่วพร้อมถจนถ้าลูแทนมันหายไปโดยอัตโนมัติของมันซึ่งบางครั้งก็รูสึกว่าเอราจะเอาอย่างไหนดีในเมื่อบางทีมันก็ไม่แน่นอนหรือว่ า, าที่เฉพาะกันว่ามันจะใช่ตรงไหนเ้วลูแทนเราหายไปจบค่นคือถ้าจะได้อย่างถาวรก็ต้องเห็นตายรักเท่านั้นอ่ะจริง เห็นว่าวิทนาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราไปไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้แล้วอย่าไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เขาเป็นอย่างไรก็รับกับเขาได้เหมือนกับเวลาญาติโยมใส่บาตรนี่พระญาติโยมจะใส่อะไรจะชอบไม่ชอบก็ปล่อยเขาใส่ไปเรามีหน้าที่รับก็รับไปเท่านั้นเอง ทุ ก, ก็ปล่อยเวลาเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปเวลาไม่เจ็บก็ปล่อยไม่เจ็บไปก็เพราะมีความอยากมันถึงทนไม่ไหวไงย่ <c oughs> อยากให้มันหายไปมันก็เลยยิ่งเกิดความทุกข์ซับซ้อนขึ้นมามนเกิดทุกข์ในอริยสัจขึ้นมาที่ที่รุนแรงกว่าความเจ็บของร่างกาย <c oughs> ถ้าไม่มีความอยากมันก็จะไม่มีความทุกข์ในอริยสัจ มันก็จะรับกับความเจ็บของร่างกายได้ไม่ว่าร่างกายจะเจ็บขนาดถึงถึงตายขาดใจตายไปก็ก็รับได้ไม่ไม่เดือดร้อนที่รับไม่ได้ก็คือความทุกข์ที่เกิดจากความอยากที่ทนไม่ได้ฉะนนต้องหยุดความอยากถ้าหยุดความอยากได้แล้วความเจ็บของรร่างกายจะเจ็บจนทัางขาดใจตายไปก็ไม่เป็นปนัญหา ทนได้รับได้ <Yeah. S 1> ก็นั่นแหละก็ไม่ปฏิบัติปฏิบัติแล้วมันก็ไม่ยากถ้ายัางรับไม่ได้ก็ใช้สมาใช้สมาะช่วยไปก่อนก็ได้เวลาเจ็บก็พุโทโธพุโทโธไปอยากไปคิดถึงความเจ็บฝ่ายมันเจ็บไปแล้วก็พุโทโธเราไปแล้วความอยากมันก็จะไม่ทำงานอพอไม่ทำงานความทุกข์ก็ไม่เกิดเพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้ใช้ปัญญาให้เห็น ให้เห็นให้เห็นตายรักเพื่อจะได้หยุดความอยากอย่างทาวรถ้าเราใช้การบริการพุทโธ ท, ทุกครั้งที่เจ็บเราก็ต้องพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆเพื่อจะหยุดเพื่อจะหยุดความอยากชั่วคราวแต่ถ้าเราใช้ปัญญาให้เห็นว่าอย่าไปยาอยากอยากแล้วมันทุกข์มากกว่าเพิ่มความทุกข์ขึ้นมามันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปอยา่าไปอยากให้มันหาย อันนี้ก็ไม่ต้องพุดโทรแล้วถ้าทุกข์ที่เกิดจากตอนปฏิบัตินะครับพระอาจารย์ที่พระอาจารย์ถ้ามันเจ็บเนี่ยก็ให้เป็นอุเบกขาไปปล่อยมันไปแต่ถ้าเกิดว่าขณะที่เราปฏิบัติเสร็จแล้วเนี่ยผลที่ตามมาจากการเจ็บจากตรงนั้นนะถ้ามันตามออกมาจากในขณะที่ใช้ชีวิตปกตินะครับพระอาจารย์เราต้องวางยังไงต่อครับมันตามมายังไงตามมาหมายความว่าถ้าเราไปอ่าเราไป ปล่อยร่างกายมันให้ให้เจ็บก็ปล่อยมันไปแต่ว่าเหมือนกับทรมารร่างกายตัวเองไปแต่พอออกจากการปฏิบัติมาแล้วเนี่ยผลเกิดผลที่เราไปทนมา น, นะทําให้จุดนี้เจ็บจุดนี้เจ็บอะไรเงี้ยเราต้องวังยังไงต่อครับอาจารย์ก็วังเฉยเหมือนเดิเมเดี๋ยวก็เจ็บเพียงแต่ว่าถ้าเรารักษาได้เราก็รักษาไป แต่ช่วงเวลาที่เราเข้าห้องสอบนี่เราจะไม่รักษามันเราจะปล่อยให้มันเจ็บของมันแล้วให้มันของมันหายมันจะหายก็หายมันจะไม่หายก็อยู่กับมันไปเช่นเวลาเรานั่งสมาธิกาหนดถ้าจะนั่งกี่ชั่วโมงก็ไม่ลุกอย่างเนี้ยเราก็ต้องปล่อยมันเจ็บไปจนกว่ามันจะหายเองหรือว่าจนกว่าเราจะไม่มีความอยากเราไม่ทุกกับมันพอเราไม่ทุกกับมันแล้วเราก็สบายมันจะอยู่ก็ได้มันจะไปก็ได้ อย่างนี้ก็บัญหาของเราก็หมดไปเพราะการปฏิบัตินี้เราต้องการมาแก้ความทุกข์ทางใจไม่ใช่มาแก้ความทุกข์ทางร่างกายความทุกข์ทางร่างกายนี้เราแก้ได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วแต่เหตุปัจจัยเช่นเจ็บไายได้ป่วยโรคบางโรค ก, ก็รักษาให้หายได้บางโรค ก, ก็รักษาไม่ได้รักษาหายไม่ได้ก็ต้องอยู่กับมันไปอันนี้ไม่ใช่เป็นประเด็นสาคัญประเด็นสาคัญก็คือเราต้องการมารักมารักษาความทุกข์ใจ มันหยุดความทุกข์ใจก็ต้องหยุดความอยากถ้าเราหยุดความอยากได้แล้วใจของเราก็จะไม่ทุกข์ทีร่างกายจะเจ็บหรือไม่เจ็บก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเวลาที่เราไม่ได้ถ้าเราผ่านสมมติเราเราออกจากการปฏิบัติแล้วเราก็อยู่อย่างปกติปวดหัวก็เจ็บไข้ได้ป่วยก็หาหมอหายาไปรักษาไปแต่ใจเราไม่ทุกข์กับการรักษาหายหรือไม่หายก็ได้ รักษาก็ได้ไม่รักษาก็ได้รักษาแล้วหายก็ได้ไม่หายก็ได้อันนี้ถึงจะเรียกว่าผ่านผ่านผ่านพ้นเรื่องการเรื่องความเจ็บของร่างกายได้ปวดหัวไม่กินยาแก้ปวดก็ได้อยู่กับมันได้กินก็ได้แล้วแต่ไม่เป็นปัญหาเลยพระอาจารย์ครับพวกโรคต่างๆเช่อนอ่า โลกมะเร็งหรือโลรอไล้แรงหรือไม่ไล้แรงต่างๆครับอาจารย์นอกจากาเป็นวิบากแล้วเนี่ยอมีจะเกี่ยวกับทางเจ้ากรรมในเวรบ้างได้ไหมครับอาจารย์คำว่าเจ้ากรรมในเวรคือใครคืออ๋อครับเจ้า <laughs> ก็คือ <laughs> เ ค, เนในใครเนี่ย <laughs> <laughs> คือถ้าเราไปทำํำใครเข้าไว้ทําร้ายผู้อื่นมันก็จะกลับมาหาเราแต่ไม่ได้เป็นบุคคล น, นั้นมาทําร้ายเราโดยตรงแต่เป็นเพราะว่าเราไปทํากรรมไปสร้างความทุกข์ให้แก่ผู้อื่นให้ทุกข์แก่ท่านทุกนั้นก็กลัดก็จะกลับมาหาเราพูดง่ายๆเขาก็เลยสมมุติเปรียบเทียบว่าเราไปฆ่าปลาเราก็ต้องกลับมาเกิดเป็นปลาให้เขาฆ่ า, าเราไปฆ่าวัวเราก็ต้องกลับมาเกิดเป็นวัวให้เขาฆ่า เราไปทาอะไรเราก็ต้องมากลับมารับผลของอันนั้นไปแต่ผลที่เป็นผลที่สาคัญที่เป็นเหตุสำคัญที่สุดที่ทำให้เราต้องมารับผลก็คือการกลับมาเกิดนี่ถ้าเราไม่กลับมาเกิดแล้วก็จะไม่มีโรคมะเร็งไม่มีโรคอะไรต่างๆเพราะไม่มีร่างกายถ้ามีร่างกายมันก็ต้องมีโรคมีแก่เจ็บตายเป็นธรรมดา นั่นจะแก่จะเจ็บมากเจ็บน้อยก็ น, นี้ก็อยู่ที่วิบากที่เราทำมาถ้าเราทำบาปมากมันก็จะเจ็บมากมีโรคภัยเบียดเบียนมากอายุสั้นอะไรอย่างนี้อันนี้แหละเรียกว่าเป็นผลของวิบากของเจ้ากรรมนายเวรที่เราไปทำกับเขาไว้คนที่ทำบาปน้อยก็จะมะีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวนานโาครคภัยแค่เจ็บไม่เบียดเบียน แต่ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามถ้าเราทําใจได้ก็ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเราก็จะสามารถรับวิบากทุกชนิดได้อย่างสบายใจทาทําใจได้นี่หมายความว่ายอมรับกับวิบากที่ต้องเกิดขึ้นกับเร า, เ, าเพราะเราคิดว่าเราเคยทําอย่างนี้มาเราก็ต้องรับผลอย่างนี้เออคือไม่มีไม่มีความอยากที่จะให้มันเป็นอย่างอื่นต อ, อนนี้มันเป็นยังไง ก, ก็ก็อยู่กับมันไป แก้ได้ก็แก้ไปแก้ไม่ได้ก็อยู่มันไปอยู่ไม่ได้จะตายก็ปล่อยมันตายไปคือใจไม่ทุกข์กับมันถ้าไม่มีความอยากแล้วใจก็จะไม่ทุกข์กับวิบากกรรมต่างๆในพระ า, ารหันทุกลูปถ้าไม่ทุกข์กับวิบากกรรมที่เกิดขึ้นแต่เราองค์ก็ยังมีวิบากกรรมอยู่เราพุทธเจ้าก็ยังต้องถูกเทวทัตพยายามปองะชนถึงสามครั้งแต่พระทยของพระองค์นี่ไม่ทุกข์กับการที่ถูกปงรงผะชนเลย เฉยยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นตายก็ตายพระโมกรามถึงแม้มี ม, ม, มีอิทธิฤทธิปาธิหารที่ที่จะสามารถอ่หนีความตายที่คนผู้อื่นจะมาม า, ม า, ม, ามาทำร้ายท่านได้ท่านก็ไม่ใช้เพราะท่านรู้ว่าหนีไปวันนี้พรุ่งนี้เขาก็ตามมาใหม่ใจท่านไม่เดือดร้อนอตายวันนี้หรือตายพรุ่งนี้มันก็ตายเหมือนกัน อ, องคุลิมาลก็ถูกชาวบ้านก็เฟี้ยงก้อนหินใสเพราะก่อนหน้านั้นไปฆ่าคนในหมู่บ้านเขท่านก็ไม่เดือดร้อนอะไรก็ปล่อยเขาเควงไปเพราะใจไม่มีความอยากไม่มีความอยากที่จะหนีความจริงพวกเรามันชอบหนีความจริงกันพอเจอความจริงที่ไม่ ไม่ถูกใจก็อยากจะหนีละอยากจะให้มันหายไปอยากจะเปลี่ยนมันละแต่พระใจของพระอาหานต์นี่อยู่กับความจริงตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใดก็ตามไม่ว่าจะมีสรรเสริญหรือมีนินทาท่านไม่หนีเหมือนพร ะ, ะพระอนอนท์จะชวนให้พระเจ้าหนีออย่าอยู่ที่นี่เลยเรื่องมากเหลือเกิน พระเจ้าอยู่ที่นี่มันก็นเดี๋ยวหนีไปมันก็มีเรื่องหมายตามมาอยู่ดีแหละถ้าจะหนีไปถึงไหนโลกนี้มันมีเรื่องอยู่ตลอดเวลาอยู่ทุกคนทุกแห่งปัญหาไม่ได้อยู่ที่เรื่องอยู่ที่ใจเราที่ไม่ยอมรับเรื่องต่างๆแค่นี้ถ้าเรายอมรับเรื่องต่างๆแล้วก็สบายอะไรมาก็รับรู้ไปแล้วก็เฉยๆนั่งเฉยๆไป คามบังเอิญในพุสนาจิงหรือไม่บังเอิญบังเอิญบังเอิญมันก็เป็นมันไม่ได้อยู่ในศาสนาไหนหรอกมันก็เป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นได้เสมอบังเอิญมาเจอกันโดยที่ไม่ได้รัดหมายกันมันก็เป็นการบังเอิญนะผูกอบไม่ไดไม่มีความบังเอิญเพะว่าอันนหมายถึงเราอาจจะเคยทํำความกรรมด้วยกันเราได้มาเจอกัน อ๋ออันนี้ก็แล้วแต่ความคิดของแต่ละคนแต่เราก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้ยืนยันได้ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่แต่ก็ไม่ไม่สำคัญอะไรจะบังเอิญหรือไม่บังเอิญก็ไม่สำคัญข้อสำคัญก็คือว่าเวลามันเจอกันแล้วจะทำอย่างไรเจอกันแล้วทำให้มันได้ประโยชน์ได้ได้โทษอันนี้สำคัญกว่ามันก็ขึ้นชนกันอะไรนี้ ต่ว่าบังเอิญก็ได้จะว่าไม่บังเอิญก็ได้มันก็ไม่เป็นปัญหาอะไรมันไม่เกี่ยวมันไม่สำคัญสำคัญที่ว่าชนแล้วเราทำใจได้หรือเปล่ารถชนแล้วเรายิ้มได้หรือเปล่าไม่เป็นไรแต่สำคัญตรงนั้นสำคัญที่ใจของเราว่าใจเราเป็นอุเบกขาหรือไม่ใจหรือใจเราผลิตความทุกข์ขึ้นมาอันนี้ต่างหากที่เป็นตัวประเด็นสามขัน เรื่องเรื่องบังเอิญว่าเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นด้วยด้วยเหตุผลกลใดนะั้นไม่สําคัญสําคัญที่ว่าเราปฏิบัติกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหตุการณ์นั้นอย่างไรเราวางเฉยได้หรือเปล่าใจเราเป็นอุเบกขาหรือเปล่าใจเราไม่ทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นได้หรือเปล่าประเด็นอยู่ตรงนี้มากกว่าคริกร คำบ ร, ริกรรมเนี่มันมีในเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ในคำบริกรรมที่เกี่ยวมีหลายอย่างได้คำบริกรรมแบบไหนก็ได้เพราะมันเป็นเครื่องมือที่จะเราใช้ในการให้เราไม่ไปมีความอยากไม่ไม่ไม่มีความคิดกับเรื่องที่ทำให้เราวุ่นวายใจเบี่ยงเบนดึงใจเราออกมาจากเหตุการณ์นั้นเหมือนกับเรากดรีโมทเนี่ย เราดูช่องนี้ดูทีวีช่องนี้แล้วหวาดเสียวไม่อยากจะดูล้วก็กดจะกดช่องไหนก็ได้ย้ายไปช่องออการเมืองก็ได้ใช้ย้ายไปยังช่องออตลกก็ได้แล้วแต่เราอย่างว่ายน้าก็จะเป็นที่ที่เคยถามเพราะว่าเป็นหนึ่งสองสามสี่นะคะได้อะไรก็ได้ทั้งนั้นที่ทำให้เราไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราวุ่นวายใจบางบางครั้งก็เป็นพิรูพิทูก็ได้ได้สวนมนต์ไปก็ได้ อันนี้จังทุกขังอนาัตตาก็ได้ไปนท่างสบายที่ก็้วมั น, ม, นมันเข้ามาเยอะเลยนะข้ามาเยอะก็ต้องใช้ลองใช้ปัญญาเข้าไปสกัดดูก็ได้ถ้าเราใช้ปัญญาเป็นแล้วก็ใช้ปัญญาไปสกัดมั น, มนบริกรรมต่อหรือถ้าสงบแล้วไม่คิดก็ไม่ต้องบริกรรมก็ได้ให้รู้เฉยๆไปสบายใจแล้วใจไม่ทุกข์แล้วใจไม่วุ่นวายแล้วก็อยู่กับความไม่วุ่นวายอยู่กับความสงบไป เวลาหน้าววเรปวดเขแพ้แมันไม่ทนันเพอเรายังไม่รู้จักวิธีใช้ปัญญาเรายังไม่รู้จักวิธีแยกแยกะเวทนาออกจากจากเราหรือเรายังไม่มีกําลังของทางสมาธิพอเราก็อาจจะต้องใช้แนวทางของสมาธิก่อนก็คือนับหนึ่งสองสามไปหรือบริกรรมพุทธโธหรืออะไรก็ได้ เพื่อให้เราไม่ไปคิดถึงความเจ็บของร่างกายพอเราไม่คิดถึงเรื่องความเจ็บแล้วความทุกข์ใจที่เกิดจากความอยากนี้จะหายไปแล้วความเจ็บของร่างกายนี้จะรู้สึกเบาลงไปมากจะไม่เป็นปัญห า, า ไ, มไม่ใช่อดทนเราต้องอดทนภาวนาออช่วงนั้นต้องขยันบริกรรมพุทโธพุทโธไปให้ถี่เลยให้มันขาดใจตายไปกับพุทโธอะไรอย่างเงี้ยอ่อ เราขี้เกียจเองเราไม่ยอมบริกรรมเรามานั่งอยากให้มันหายอยากให้มันหายอ ย, าา ย, อย่างเดียวแล้วมาอ้างว่าต้องใช้ความอดทนไม่ความจริงไม่ต้องใช้ความอดทนเลยความอดทนนี่มันไม่สามารถที่จะทนได้มันต้องใช้ใช้อุบายของสมาธิหรือของวิปัสสนาเท่านั้นามาอุบายของสมาธิก็คือต้องบริกรรมพุทโธหรือสวดมนต์หรือนับหนึ่งสองสามหรือท่องคาถาอะไรที่เราท่องได้เราที่ไม่ไป ไม่ไปคิดถึงเรื่องของความเจ็บได้เช่เวลาเรานั่งดูภาพโยชน์นี่เรานั่งดูได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงมเพราะว่าเรามีอะไรให้เราสนใจอยู่ใจเราไม่มานั่งสนใจกับความเจ็บของร่างกายโดยที่จอในในใจจก็ควรอย่าอยู่ในใจอย่าดูเ่าเสียงดังมันไม่ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะปัญหามันอยู่ข้างในไม่ได้อยู่ข้างนอกสวดเสียงดังอ่ะเดี๋ยวจะกลายเป็นคนบ้าไปเดี๋ยว ถ้ามันเจ็บมากครับอาจารย์เอาอย่างนี้เลยได้ไหมครับอาจารย์บริกรรมเลยเจ็บจังสักใจเจ็บจังสักใจทีเดียวให้เจ็บกว่านี้ไม่ได้หรอวะล้างท้าอ่าแต่แค่นี้เองเหรอแคอนอ้แล้วกว่านี้ได้ไอมสู้มั้งเออย่างงั้นก็ได้มึงแน่จริงมึงเจ็บกว่านี้หรืออะอ่ามันต้องกล้าหาญไงถ้ากล้าหาญแล้วความ ความความความกลัวมันจะหายไปเรากลัวความเจ็บกันมันเพ็นงทำให้มันเราทุกข์ใจขึ้นมาแต่พอเรากล้าไม่กลัวมันแล้วไม่เห็นไหมคนเวลาตื่นเต้นตกใจนี่บางทีทำในสิ่งที่ไม่กล้าทำไม่เคยทำมาก่อนิด้ความบ้าบิ่นขึ้นมานี่วิ่งเข้าหากสูนได้อช่ไหมเออก็ไดนะ้ลองหาวิอุบายใดก็ได้ที่ทำให้ให้ให้เรา ด, ดับความทุกข์ใจได้ก็ใช้ได้เท่นั้นนะ ต้องต้อ ง, องหาวิธีเบี่ยงเบนดึงใจอย่าให้มันไปเกิดความอยากเกิดความอยากเกิดความกลัวกลัวความเจ็บอยากให้ความเจ็บหายไปเนี่ยหางานให้จิตทําถ้าจิตมีงานทําแล้วมันก็จะไม่มีโอกาสที่จะไปกลัวไปไปอยากพอไม่มีความกลัวความอยากความทุกข์ใจก็หายไป พอหายไปถึงจะรู้ว่าความเจ็บของร่างกายนี้เป็นนิดเดียวมันไม่ใหญ่โตเลยปัญหาทั้งหมดก็คือกิเลสตัณหานี่ยเอข้าศึกศัตรูของเราที่เราต้องกำจัดก็คือกิเลสตัณหาวิธีที่เราปฏิบัติต่างๆนี้ก็เป็นอุบายที่เราจะกำจัดมันกำจัดแบบชั่วคราวก็ อย่าไปคิดถึงมันอย่าไปปล่อยให้มันมีโอกา ส, สแสดงตัวออกมาได้เช่นเราวบคุงความคิดไม่ให้คิดที่ไปในทางที่จะทำให้เกิดความอยากมันก็จะไม่เกิดความอยากขึ้นมาเช่นเราบริกรรมพุทโธพุทโธไปนี่มันก็จะคิดไปในทางความอยากไม่ได้เพราะไม่มีมันไม่ไม่มีความอยากความทุกข์ใจความวุ่นวายใจก็จะสงบตัวลงไปแต่เพียงแต่ว่ามันเป็น วิธีชั่วคราวเท่านั้นเองไม่ถาวรแต่ถ้าจะแก้อย่างถาวรก็ต้องเห็นโทษของความอยากเหมือนกับถ้าเรารู้ว่าความอยากนี่เหมือนกับค้อนที่เราทุบศรีรษะเราเนี่ยเราจะทุบศรีรษะเราอยู่เรื่อยหรอเปล่าใช่ไหมเราไม่รู้ว่าความอยากนี่เหมือนกับค้อนที่เราใช้ทุบศรีรษะเราทุกครั้งที่เราอยากนี่เหมือนกับเอาเอาเข็มไปทิ้มแทงใจเราเราไม่เห็นตรงนี้เราต้องมองให้เห็น วิธีจะเห็นก็ต้องทาใจให้สงบก่อนเวลาใจสงบแล้วเวลาเกิดความอยากนี่มันเหมือนกับมีเข็มมาทิ่มแทงใจเลยใจมันจะรู้สึกกระเพื่อมขึ้นมาเลยนั่นต้องมีสมะถะก่อนถึงจะเห็นโทษของความอยากได้พอเห็นโทษของความอยากแล้ววิธีจะหยุดความอยากก็ให้เห็นตายลักให้เห็นอนิจจงอนัตตาพอเห็นอนิจจงอนัตตาว่า สิ่งที่เราอยากได้นี้จะไม่สามารถอยู่กับเราไปได้ตลอดให้ความสุขกับเราไปได้ตลอดเราก็จะไม่อยากได้เราก็จะหยุดความอยากได้เนี่ยมันต้องมีทั้งสมรถะมีทั้งปัญญามันถึงจะมันถึงจะหยุดความอยากได้เน่ั้ อ, อสังเกตรูทั้งปัญญ เราไปทำอยูหรือตายทั้งแต่ละทั้งที่ท่านตอนนี้มีชีวิตอยู่ก็ตามหรือยังไม่มีชีวิตเวลานําคนส่วนใหญ่ที่านเนี่ยมีความสี้พูดออไปเหมือนแยกเสียหนูอะค่ะก็สังเกตว่าหนึ่งอาจจะเกิดแต่ความรู้สึกของใจแล้วหรือพันธุ์กิจสนมันทําให้เราพูดไปอย่างนี้หรือเกิดจากอำนาจลักรอบับคีย์ดาวน์ความรู้สึกของเราเองเนี่ยมันทําให้เราเอ รู้สึกแปลกไปจากปกติธรรมดาเพราะเราอยู่ในเหตุการณ์ที่ไม่ธรรมดาเวลาเราอยู่ในเหตุการณ์ที่แปลกใจของเรานี้จะมีปฏิกิริยาที่แปลกไปแล้วเราก็ไปแปลความหมายว่าเป็นเทพเทวดาเป็นอะไรไปต่างๆนั้นนะเี่คือเรียกว่าเป็นการอุปทานไม่มีความจริงมารองรับเลย เราคิดกันไปเองแล้วก็ว่ากันไปเองถ้ามีเทวดาจริงมันก็ต้องมาโผล่ตัวปรากฏให้เราเห็นต่อหน้าตรงนี้แล้วไงแล้วไม่มีสักทีเราบัวคิดกันไปเองเป็นเทวดาเป็นนู่นเป็นนี่กันว่ากันไปยุ่งกันไปหมดเ็รู้สกว่าเสียว่ามีพลังมีอำนาจมากเลยก็นั่นแหละจิตเนี่ยมันเวลามันอยู่ในภาวะที่มันไม่ปกติมันจะมันจะมีอะไรแปลกๆปรากฏขึ้นมา เรื่องของมุสที่เราทำไม่รู้แหละอํำนาจที่อะไรก็ได้ที่ทําให้จิตมันมันมันไม่ปกติก็แล้วกันคนเวลาตื่นเต้นตกใจกลัวนี่ไฟไหม้นี่แบกตุม่มอันก็เริ่มแบกได้แบกเซฟแบกได้พอเวลาปกติมใหม้ให้มายกนี่ยกไม่ขึ้นล่ะจิตมันมีพลังมันสามารถสั่งให้ร่างกายทําในสิ่งที่ร่างกายปกติจะทําไม่ได้ แต่เวลาอยู่ในเหตุการณ์ปกตินี้พลังของจิตมันก็จะหายไปอืมนี้หายเหลือข้อในการรวบรวมขึ้จะทําสิ่งหนึ่งที่ในชีวิตที่ต่อเนื่องต่อไปีมันมันกค่ก็เหตุการณ์เป็นตัวกระตุ้นไงให้จิตนี้เป็นไปต่างๆนานาได้บางเวลาก็น้ําตาไหลาพากล้องหอบร่องไห้เป็นเหมือนคนบ้าไปเลยนี่ก็เหตุการณ์พาไปเออ่า ภาวนาถ้าภาวนาปกติใจหนูรวมไม่ได้แต่เวลาที่หนูและได้ฟังเสียงที่หลวงตาเทศน์น่าจะตอนท่านมีชีวิตอยู่ฟังทางทัศน์ฟังปวิรูปจิตจะเจริญลงได้แต่ถ้าเป็นภาวนาปกติแล้วใจเจ็บหนูไม่ได้นะมันจะพุบโธพุทโธจนมันจะขาดใจมันเป็นอดีตคิดไม่ได้ไม่ทราบว่าจะต้องใช้ก็ฟังไปเลยอยากเวลานั่งสมาธิก็เปิดเทศน์ฟังไป แต่ว่ามันก็จะต้องให้คนอื่นมาคอยป้อนให้เราอยู่เรื่อยๆพอเวลาเราจะทำเองเราก็จะทำไม่ได้วิธีที่ควรก็คือเวลาเริ่มต้นเราก็ฟังไปพอใจเราสงบแล้วก็ปิดแล้วเราก็ลองทาของเราต่อไปอย่าเพิ่งเลิกปิดเทปแล้วเราก็พูดโธลองพุดโธเองต่อไปดูต่อไปเราจะได้ทำของเราเองได้ไม่งั้นเราก็ต้องคอยฟังเทศฟังทำอยู่เรื่อย มันรถเนี่ยเวลามันสตารไม่ติดก็ต้องมีคนเข็นก่อนใช่ไหมพอเป็นเข็นแล้วมันถึงวิ่งได้พอมันวิ่งได้แล้วก็หยุดเสียเราไม่วิ่งขับต่อพอเราจะให้มันวิ่งใหม่ก็ต้องให้คนมาเข็นใหม่เพราะรถมันวิ่งได้แล้วที่เราก็ต้องขับไปเองนะทีนี้อยา้าอาสายให้คนอื่นคอยเข็นต่อไป พอเรานั่งแล้วรู้สึกจิตสงบแล้วเราก็ลองลองปิดอยาอยากไปฟังแล้วเราก็มาลองพุโทโธแล้วดูลมหายใจของเราต่อไปเราต้องหัดทำเองให้ได้การฟังเทศฟังธรรมนี่มันช่วยเราในเบื้องต้นช่วยทำให้จิตเรามีสติไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะเราต้องตั้งใจฟังพอเราตั้งใจได้แนละ้วทีนี้เราก็หยุดฟังแล้วเรก็เอาความตั้งใจที่เรามีอยู่นี่มาอยู่กับพุโทโธต่อไป มันต่อไปเราก็ไม่ต้องใช้การฟังเทศฟังธรรมเวลาจะนั่งก็หลับตาพุทโธได้เลยถ้าเรามีความตั้งใจที่แข็งแรงพอที่จะยืนบนที่จะเกิดขึ้นมาได้โดยที่ไม่ต้องอาศัยการฟังเทศฟังธรรมแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่ฟังธรรมนะแต่การฟังธรรมนี่โดยหลักแล้วต้องการฟังเพื่อให้เกิดปัญญามากกว่าฟังเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อเราจะได้มาใช้ดับความโลภความโกรธความหลงต่อไปแต่การฟังธรรมนี่ก็เป็นการช่วยทําให้เรานั่งสมาธิได้สําหรับคนที่นั่งสมาธิเองไม่เป็นเบื้องต้นก็อาศัยการฟังธรรมไปก่อนพอฟังไปแล้วจิตเริ่มสงบไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็เราก็มาบริกรรมพุทโธของเราเองต่อไป ต่อไปเราก็จะรู้จักวิธีบริกรรมพุโทโธรู้จักวิธีควบคุมใจต่อไปเราเวลาจะนั่งก็ไม่ต้องใช้การฟังธรรมก็ได้ถ้าเราฟังธรรมอย่างเดียวแล้าเราไม่หัดบริกรรมพุโทโธเราก็ต้องฟังไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นเด็กที่จะต้องคอยให้มีคนป้อนอาหารใี่เรากินอยู่เรื่อยๆก็จะไม่รู้จักกินอาหารเอง คิดว่าถึงเวลาสี่โมงแล้วก็ขอยุดติไว้เพียงเท่านี้